ศาสตรมืสการครับพระอาจารย์ครับอเจารย์พรขออนุญาท่านผู้ชมทุกท่านครับพระอาจารย์ครับวันนี้ฝนตกไหมครับตอนเท้าวินาบาทนะครับตอนเช้าไม่ไม่ตกไม่ตกช่วงกลางวันช่วงเยงเที่ยงตอนที่สองภาษาอังกฤษครับผมวันนี้จัดรายการครั้งที่ห้าสิบสองครับพรอาจารย์ครับครบหนึ่งปีพอดีครับผมครับผม ก็เลยอยากจะทีนี้อยากจะทราบผลนะครับพระอาจารย์เพราะว่าผู้ภาวนาคุยกันก็บอกว่าอยากจะเป็นพระโสดาบันกันโดยส่วนใหญ่เพราะว่าบอกพระโสดาบันนี่ปิดอบายได้วันนี้ก็เลยกลับเรียนพระอาจารย์อยากถามเรียนพระอาจารย์ว่าพระโสดาบันเนี่ยคืออะไรคืออย่างไรแล้วก็จะเป็นไปได้อย่างไรครับพระอาจารย์ครับคือพระโสดาบันนี้เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติธรรมขั้นสุงได้คือขั้นปัญญา คือวิปัสสนาที่จะละสัมโยชน์สามข้อด้วยกันคือสักกายทิฏฐิการถือว่าขันห้าคือร่างกายเนื้อชีวิตจิตใจของเรานี้เป็นตัวเราของเราแล้วก็ละความสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ละในความ ในเรื่องของของศีลธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมละความสงสัยความลูกคำในกฎแห่งกรรมได้ที่งเแล้วศีลละพัฒนามาก <Okay. S 1> แต่ตรงตัวการลูกคำศีลลูกคำศีลศีลศีลธรรมก็คือกฎแห่งกรรมเนี่ยทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วทําดีแล้วได้ความสุขทําชั่วแล้วได้ความทุกข์ นะสังโยชน์ทั้งสานี้มันมน่าจะไปเป็นโขมนะเราก็ข้อที่เราต้องลนะให้ได้ก็คือสักกายทิฏฐิแล้วเราก็จะได้ทั้งศีลปัตตาปรมาณ์นะวิจิตกิจชาไป ใ, ในตัวด้วยมันมา ม, นมาด้วยกันใน ต, ตอนหนึ่งที่เราจะไปถึงขั้นขั้นสูงนี้ได้คือทางขั้นสูงคือขั้นปัญญานี้ มันก็เหมือน ก, นกับการเรียนหนังสือเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ผ่านขั้นต่ําขึ้นไปแล้วเราจะไปเรียนขั้นบุญดงศึกษานี้ก็คงจะยากคนที่ไม่เคยเรียนหนังสือเลยไม่เคยเข้าชั้นประถมมธัธยมไม่ผ่านชั้นประถมมธัธยมแล้วเขาจะไปเรียนมาหาลัยหรือเนี้ยคงจะเป็นไปได้ยากเห็นก็ต้องมีพื้นฐานก่อนในการที่จะสนับสนุนทําทีย ที่ต้องปฏิบัติทำขั้นสูงนี้ทางศาสนาก็เหมือนกันะการเรียนทางศาสนาเรียนทางธรรมก็เหมือนเรียนทางโลกก็มีขั้นมีตอนมีชั้นมีอะไรต่างๆทางโลกาก็เล่าแล้วแต่สมัยก่อนไม่มีอนุบาลก็มีข้าชัน้นปฐมสมัยนี้เพิ่ม อ, อนุบาลเข้าไปอีกคือต้องต้องเรียนความรู้ขั้นพื้นฐานก่อน ที่จะไปสู่ขั้นสูงได้ทำทั้งนั้เหมือนกันก็ต้องเรียนรู้และปฏิบัติขั้นพื้นฐานให้ได้ก่อนเพราะว่าสิ่งที่จะเป็นพระโสดาบันนี้จะต้องทำในสิ่งที่ที่ยากและต้องหัดทำตั้งแต่ขั้นที่ง่ายขึ้นไปก่อนเพราะการร่างกายวิถิก็คือนาชีวิตของเรานี่ยร่างกายของเรา ไม่ยึดไม่ติดปล่อยวางนี่ตอนนี้เราจะละของยากได้นี่เราทำไปละของง่ายของที่เรามีอยู่ในตอนนี้ของที่เรามีในตอนี้ที่เราควรจะละก่อนคือคือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราต้องไม่ไม่หวงไม่สนิทไม่โลภไม่อยากได้มีไว้เพียงแต่เพื่อใช้ในในจิจที่จําเป็น ก็คือการเลี้ยงชีพเลี้ยงร่าง ก, กายนี้ไปเท่านี้งั้นถ้าเรามีเงินมากกว่าหรือหรือจากการเลี้ยงชีพนี้่เราควรที่จะแ บ, บ่งปันให้กับผู้อื่นไปละมันไ ป, นนไปถ้าเก็บมากก็แสดงว่ายังหมอยู่ <c oughs> ถ้าเมืม่องการจำ เ, เป็นจะต้องใช้ก็ต้องเราก็ต้องเราก็ต้องดูว่าเราต้องใช้เท่าไหร่ที่จําเป็นจําเป็นกงปัจจัยสี่ อาหารเครื่องดูดห่มที่อยู่ะะอาศัยยารักษาโรคอันนี้เราต้องมีพอเพียงเ้ื่มีพอเพียงแล้วยังมีเงินเหลืออยู่อันนี้แหละต้องเอาไปสละทับทานบริจาคจากค่ะแล้วก็ลดการหาเงินไม่ให้มันมากกว่าเท่าที่เราต้องเราต้องการเพราออาหามาได้มากกว่าเงินจะเป็นเราก็ต้องไปทําบุญทำทานอยู่นี้ นี่เราจะไปทำมาหาทำเงินมาให้เสียเวลาทำไมเนี่ยขั้นทานนี้ก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องลดนะของที่มันง่ายก่อนคือทรย์สมบัติเท่าของเงินทองแล้วก็ไม่เอาเวลาไปเสียลาหาทรัพย์สมบัติเงินทองมานอกจากถ้ามันไม่พอเพียงต่อการดำรงชีพอันอนี้ก็จําเป็นต้องไปหาแต่ถ้าสมมติเรามีรายได้มากกว่ารายจ่าย เราเราสามารถแบ่งปันได้เราก็ควรที่จะแบ่งปันไปหรือถ้าเราอยากจะเอาเวลาให้มีให้กับการปฏิบัติมากขึ้นเราก็เอาเงินที่เราเหลือเหลือกินหลือใช้นี้มาเป็นเงินสำรอกเพราะเราจะได้ไม่ต้องหาเงินไม่ต้องไปทำงานหาเงินเราจะได้เอา เวลาของการหาเงินหาทองนี่มาหาทองกันนะงูตอนนี้ต้องต้องตัดเรื่องความโลภความอยากได้เงินทองอยากเล่า อ, อยากรวยแล้วถ้ารวยก็อยากหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต้องสละไปเพราะว่าสิ่งที่ต้องสละมากกว่านี้ก็คือชีวิตของเราร่างกายขอเราเ เรายัางสละของภายนอกไม่ได้แล้วเราจะไปสละร่างกายชีวิตของเราได้ไอย่างไรในเบื้องต้นพระเจ้าทรงสอนให้ทําทานก่อนสําหรับผู้ที่ยังยังมียังยุ่งเกี่ยวกับการเงินการทองอย่าให้มีไว้เพริบพอสําหรับการเลี้ยงดูอัตภาพร่างกายหรือปัจจัยสี่ก็พอเพื่จะได้ลดการหาเงินหาทองลงไป และการลดภาระลดความโงความตันหนในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้จะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมได้นัเห็นเบื้องต้นต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองส่วนเกินไปให้ได้ก่อนไม่หง่ไม่เก็บเอาไว้ให้เก็บไว้เพียงแต่มีถ้าที่จําเป็นสําหรับการเลี้ยงดูร่างกายนี้ นี่คือสิ่งแรกที่เราต้องสล ะ, ละขั้นที่สองเราก็ต้องสละการกระทาบาปเพราะพระสวดามันจะไม่ทาําบาปแน่นอนพระอริยบุคคลทุกคนเราก็ต้องซ้อมไว้ก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆยังทําบาปอยู่แล้วจะไปเป็นพระสมดามันได้ยังไงพระสวดาบันนี้ไม่ทําบาปรักษาศีลมากกว่าชีวิตของตน นี่คืออันที่สองก็ต้องไม่ทําบาสนักษาศีหน้าให้ได้อย่างมั่นคงแล้วทีนี้ก็ต้องไปละขั้นต่อไปก็คือละการมัชฌนาละการเยิยนดีหาความสุขทางตาจิตวิกายเพราะว่าต่อไปเราจะสละร่างกายนะเราจะไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมหาความสุข เราจะไม่ใช่ตาของจมูจกยืนกายหาความสุขกันเราก็ต้องเลิกหาความสุขทางกายคือทางกายุคุณาคือรูปเสียงกลิ่นรสโภภาด้วยการเจริญสีแต น, นได้ขะถึงจะได้มีเวลามาปฏิบัติการภาวนาขั้น ขั้นที่หนึ่งก่อนคือขั้นสมาธิหรือขั้นสมถะภาวานากน <Okay. S 1> เพราะก่อนที่จะไปวิปัสนาภาวานาหรือขั้นปัญญาได้นี้ต้องมีสมถะภาวานาเป็นเครื่องอเป็นขั้นบันไดเป็นผู้สนับสนุนให้ก้าวขึ้นสู่ขั้นขั้นที่สูงต่อไปได้ถ้ายังไม่มีสมถะภาวานาจิตยังไม่ลงไปนับปัญาสมาธิ จิตยังไม่มีตวเบิกขายังไม่มีกำลังที่จะไปต่อสู้กับกิเลสหรือสัมมวชที่ที่หลอกให้จิตนี้ยึดติดกับน่ากายว่าเป็นตัวเราของเรา <c oughs> ได้แต่ถ้ามีอมวัวเบกขามีจิตวางเฉยได้ก็จะมีกำลังถ้าปัญญาชี้ให้เห็นว่าน่ากายนี้ความจริงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา เป็นของดินน้ำลมไฟ <c oughs> ยืมมาจากดินน้ำลมไฟน่นก็ต้องคืนให้สืบให้ดินน้ำลมไฟไปในที่สุดอันนี้ถ้าไม่มีอุเบกขาจะจะยึดจะติดจะปล่อยวางไม่ได้ท่นนี้ยังต้องผ่านสมถะก่อนผันยังได้สมถะก็ต้องเจริญสติ ต้องมีสิงห์แปดเป็นผู้สนับสนุนจะได้มีเวลาเจริญสิงหแปดได้ปฏิบัติทำได้จเจริญสมถะภาวนาได้พอได้สมถะแล้วได้อุเบกขาตั้งขนาดที่เข้าในสมาธิและขนาดที่ออกมาเมืตอนนี้ถ้าเราได้ได้สมถะได้สมาธิเพียงเล็กน้อยในเวลาออกจากสมาธิมาอุเบกขาที่ได้ก็จะหมดไปมย่างรวดเร็ เราต้องกลับเข้าไปสมาธิให้บ่อยๆให้ ม, มากๆเพื่อที่จะได้มีอุเบกขาอยู่กับใจนานๆเวลาออกจากสมาธิมาแล้วเมื่ออุเบกขาใกล้จะหมดก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่เพื่อรักษาอุเบกขาให้มีมากๆเวลาออกจากสมาธิเพราเวลาออจากสมาธิเราจะได้ใช้อุเบกขานี้มาราะสัโยชนต่างๆไนดะ้ด้วยปัญญา จะสอนว่าให้เห็นว่าสัโยชน์ิคือสิ่งต่างๆที่เรายึดเราติดนี้เป็นทุกข์มันไม่เที่ยมกันห้านี่มันไม่เที่ยมร่างกายของเราความรู้สึกนึกคิดของเรามันไม่เที่ยมมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่มีตัวตนมันเป็นธรรมชาติเป็นภาวะธรรมชา ต, ชาติที่เกิดล้วดับตามเหตุตามปัจจัยที่ไม่มีใครไปสามารถไปควบคุม บ, บังคับมันได้ ร่างกายมันก็มีเหตุมีปัจจัยทําให้มันเกิดนันก็มีเหตุมีปัจจัยทําให้มันแก่ให้มันเจ็บขึ้นมันตายนะเราสอนจิตเพื่อให้ปล่อยวางให้ยอมรับกับสภาพของความเป็นจริงของร่างกายแนะจิตใจว่นะาร่างกายนี้จะต้องแก่จะต้องตายแล้วก็มันก็จะเกิดเวทนาเกิดความทุกข์ขึ้นมา ให้ใจได้สัมผสัสรับรู้ซึ่งเวทนาก็มีอยู่สามที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีสุกเวทนาทุกเวทนาไม่สุกไม่ทุกเวทนาเป็นต้นเป็นสภาวาธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับให้ได้อันนี้พู้ถ้ายังไม่ปฏิบัตินี้จะรับทุกเวทนากไม่ได้พอร่างกายเจ็บหน่อยนี้วิ่หามองอันุ่นไป อันยังบางทีบางอกนี่ไม่ต้องไปทำอะไรมันเดี๋ยวมันก็หายเองปวดตรงนั้นปวดตรงนี้หน่อยเดี๋ยวมันก็คลอยให้ที่ทําให้มันปวดมันหมดไปมันก็หเช่นเดินไปเตะก้อนหินมันก็เจ็บเดี๋ยวเดี๋ยสักพักหนึ่งแรงที่ทําให้ขาเจ็บจากการไปเตะต้นต้นก้อนหินมันก็ค่อยๆอ่อนไปหวดไปเองอาการเจ็บมันก็หายไปเองได้ไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปหาหมอให้เสียเวลา เแต่ว่าใจร้อนไม่อยากจะทนกับความเจ็บต้องไปหาหมอเพราะหมอมักจะมียาพิเศษมีสเปรย์ฉีดมีอะไรทาทาแล้วเราถ้ารู้สึกมราหายเร็วขึ้นเนี่ยแสดงว่าไม่ปล่อยสัตยาธิปิไม่ปล่อยเวทนาไม่ปล่อยร่างกายถ้ามีอุเบกขาแล้วก็มีปัญญาสอนเาให้เรารู้ว่า เวทนาหรือขาน่านี้มันเป็นธรรมชาติเหมือนดินน้ำดินฟ้าอากาศที่เขาจะแปรปวนไปตามเวลาของเขาตามเหตุตามปัจจัยเาเราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปสั่งให้ธรรมชาติให้ดินฟ้าอากาศนี้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ฝนตกจะไปสั่งให้มันหยุดก็ไม่ได้ฝนไม่ตกจะสั่งให้มันตกก็ไม่ได้นี้เป็นต้นเวทนาก็เหมือนกัน เลาเกิดทุกขเวทนาจะสั่งให้มันหายก็ไม่ได้จะสั่งให้สุ ข, ขเวทนามาแทนที่ทุกขเวทนาก็ไม่ได้มันมีเหตุมีปัจจัยทําให้มันเกิดน่าพาให้เป็นทําให้มันดับไปเราผู้ที่มาสำลัสรับรู้คืนใจนี้มีหน้าที่เพียงแต่รู้เฉยๆนะถ้าไม่มีอุเบกขาก็อดที่จะไปรักไปชังไม่ได้ไปกลัวไม่ได้ พอรักชังกลัวก็เลยเกิดปัญหาความอยากสิ่งไหนที่รักก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆสิ่งไหนที่ชังก็อยากจะกําจัดให้มันหายไปเร็วๆพอทําไม่ได้ก็เกิดความเครียดขึ้นมาเกิดความทุกขึ้นมานี่คือทำระดับพระสุนตบันธรรมะสักกรารณ์ยอทิฐิขึ้นได้ธระด้แล้วได้มีดวงตาเห็นธรรม แเห็น okay. ว่าสภาวะธรรมทั้งหลายนี้มีการเกิดและต้องมีการดับเป็นธรรมดาเห็นใจรักเห็นได้นิจจามทุกขนนังวณตาเห็นว่าทกนี้เกิดจากความอยากของใจที่ไปอยากจะไปจัดการกับสภาวะธรรมต่ตางๆให้เป็นไปตามความต้องการของตนจึงทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาพอรู้ว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยอยากไปจัดการกับสภาวะธรรมไว้สภาวะธรรมเมื่อเกิดก็ดับไปตามเรื่องของเขา ใจก็จะไม่ทุกก็จะเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากเป็นจัดการจากสภาวะธรรมที่ไม่สามารถจัดการมันได้เพราะเห็นด้วยมากว่าสภาวะธรรมนี้เป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนิจตานี้ก็เลยปล่อยว่างหยุดด้วยอเบกขาปล่อยให้สภาวะธรรมเป็นไปตามสภาพของเขาร่างกายจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปร่างกายจะเจ็บไ้แล้งปวดก็ปล่อยมันไป ร่างกายจะ ต, ตายก็ห้ามมันไม่ได้ก็ต้องป่อนไปคว า, าเสจ็บความตายมองรางกายกลับไปใจก็จะเห็นอริยสัจสีเห็นมากเห็นเห็นทุกสมุทัยที่รอดมากที่เกิดขึ้นในใจทุกเกิดจากความอยากให้สภาวะทำเป็นไปตามความต้องการของเราแต่เป็นไปไม่ได้ถ้าอยากจะหายทุกข์ก็ต้องปล่อยปล่อยความอยาก อย่าอยากให้สภาวะธรรมเป็นไปตามความอยากเพราเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยมากว่ามันเป็นไปไม่ได้สภาวะธรรมเขาเกิดเดับไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเขาไม่ได้อยู่ภายใต้คําสั่งของเราก็ปล่อยปล่อยให้สภาวะธรรมเกิดดับไปตามเรื่อของเขาเมื่อปล่อยด้วยปัญญาด้วยสมาธิด้วยเบิกามันก็ นิรยก็เกิดขึ้นะมอทุกก็ดับไปทุ ก, ปท ก, ปท ก, ก็หายไปทุกในระดับพระสุดาบังย์ก็หายไปทุกในระดับในขันท่านี้ก็จะหายไปก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าพระธรรมที่เห็นนี้เป็นธรรมที่พระเจ้าเป็นผู้สอนเองง่อเห็นธรรมที่พระเจ้าสอนก็ไม่สงสัยผู้สอนว่า ม, มีจริ ง, รงต้องไม่มีจริงแปลว่าพระพุทธเจ้าไม่จริงไม่ต้องไปยินเดียไป ไปสานที่ประสริที่ตัดสโลไปก็ไม่เจอว่าพระพุทธเจ้าอยู่นี่ไปเจอแต่สถานที่ที่เขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าบางคงแต่เขาบอกกันมาก็เชื่อมาแต่ไม่ได้เห็นตัวพระพุทธเจ้าเลยแต่เห็นธรรมที่เราได้จากการปฏิบัติเห็นอนุญาตสัจิทธิในใจของเราที่เกิดจากความอยากให้สภาวะธรรมคือฐานห้าเป็นไปตามความต้ารข ก็เลยก่อความทุกข์ขึ้นมาแต่เพรเห็นว่าสภาวธรรมเป็นของที่เราก็ควบคุมบังคับไม่ได้ต้องปล่อยวางด้วยรเดชขาด้วยปัญญาก็ปล่อยหยุดความอยากให้อยากไปควบคุมสภาวธรรมหยุดสมุทยัยทุกข์ก็จะหายไปนิน้อยก็เกิดขึ้นมาเห็นอริยสัจเห็นอริยสัจสีอย่างชัดเจนไปในใจเห็นจัดเห็นใน ใ, นใจเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามเหตุการณ์จริง อ น, นี้จะให้เห็นในการจริงได้ก็ต้องทําให้มันนี้ต้องไปเจอสภาพว่าทำที่มันที่ทําให้เราเกิดความอยากขึ้นมาเช่นต้องให้ร่างกายมันเจ็บปวดนี okay. แล้วเราอยากจะให้ความเจ็บปวดน่ะให้ไปแล้วเราก็จะเห็นความทุกข์ทรมารของใจเกิดขึ้นแต่อตอนนี้ถ้าร่างกายไม่เจ็บปวดนี่มันก็ไม่ไม่เห็นมันไม่สภาพความเป็นจริงอย่ังไม่เกิด เป็นผู้ที่ทาการที่จะเห็นเฉพาะความเป็นจริงก็สมมติว่าต้องนั่นานๆให้มันเกิดความเจ็บขึ้นมาแล้วก็ใช้ความเจ็บนั้นเป็นเป็นอุบายในการที่จะสอนใจให้ดูว่าตอนนี้น่างกายเจ็บแล้วใจทุกข์หรือเปล่าจะมีใจเฉยๆถใจทุกข์ก็แสดงว่ามีสมุทัยมีความอยากอยากให้ความเจ็บหายไปอยากหนีจากความเจ็บไป อันนี้ก็จะเห็นทุกสมุทุุกสมไทยแล้วถ้าทำไงจะให้ทุกเดบไปก็ต้องพิจารณาเมตนาว่ามันความเจ็บว่ามันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นของมันเองแล้วมันเดือดก็จะดับของมันเองเราไปควบคุมมังคับไม่ไดมนนาา้มันเป็นอนัตตามันเป็นอนิจจังนั้นไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยให้มันเจ็บไปอยู่กับอยู่ว่าความเจ็บไม่ได้ด้วยโมเบคา ถ้ามีอุเบกาก็ใช้ได้อยู่ความเจ็ดได้ไม่เดือนร้อนสมุทยก็หยุดนะงับไปนิโรดคือความทุกข์ก็ความดับทุกข์ก็เกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมายินจะเห็นเห็นอริยาศาศาสัจสอย่างอย่างจริงๆของแท้ของจริงเห็นสดสด น, น้อน้อนเห็นทำอย่างสดสดบ้อ น, นอนก็ไม่สงสัยว่าพู้พรเจ้าผู้สแสดงทางนี้ว่าวมีจริงก็ไม่จริง แล้วก็ไม่สงสัยในพระอริยสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงเพราะผู้เทมี เ, เห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าว่าคือพระอริยสงฆผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบดีก็จะไม่สงสัยในเรื่องเรื่องพระพุทธประธรรมสมว่ามีจริงหรือไม่แล้วก็ไม่สงสยัยเรื่องกฎแห่งกรรมว่าทุกข์เกิดจากอะไรทุกข์ก็เกิดจากาการกระทําของใจใน้ใจ ที่ไปนในทางที่ไม่ดีก็ที่ไปนในทางความอยากก็ทุกข์หรือถ้าไปทําบาปก็ทํำไม่ใจทุกข์ขึ้นมถ้าไม่ทําบาปไม่ทําตามความอยากใจก็สุบใจก็มีความสุขขึ้นมาก็จะไม่สงสัยว่าทําไมจะต้องรักษาศีลว่าะการทําบาปนี้จะทําให้จิตใจของตัวนร้อนขึ้นมาเลยจะทําแต่บุญทําแต่ความดี เราก็จะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ให้เกิดความรู้ความกดความหนุขึ้นมาในใจละความรู้ความกดความหนุความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจอันนี้มรรคตร์ละได้สามข้อเป็นพระโสดาบันแต่ยังมีอเจข้อที่ต้องทำต่อไปแต่ก็ใช้หลักเดียวกันหลักของทุกสมุทัยนี่รุนะ่นละ สองข้อต่อมามันก็มาเป็นคู่กันตัวที่ทําให้ที่ที่ทําให้จิตใจวุ่นวายก็คือการมาลาคะเวลาเกิดการมาลาถ้าราาู้ใจก็หมดเย็ด ต, ต้องไประบายต้องไปทําให้ความวุนะ่นเยดนนั้นหายไปด้วยการตอบสนองการมาลาค่ะหรือไปเสด็จการมนั่นเองเสดการมแล้วความวุ่นเย็นก็หายไปความเจ้ากะหายไปชั่วคราวแต่เดี๋ยวสัญญาณหนึ่งมันก็โผล่ขึ้นมา พอเห็นมูกสวยๆโงงานก็เกิดการมาลาทั้งมดเลยอันนี้ก็ต้องใช้อสุภะเป็นตัวแก้ถ้าเห็นลูกสวยงามแล้วเกิดการอารมณ์เราไปดูมูกที่ไม่สวยงามดูโสกดูดูดดอนาตามี่ดการอารมณ์ก็จะดับไปทันทีเมื่ดับไปอาวุธกห็หายไป โดยที่ไม่ต้องไประบายด้วยการไปเสกกลางไม่ต้องไปร่วมเพศกับใครอันนี้ก็เป็นสังโยชน์ขั้นต่อไปเพื่อจะก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สูงต่อไปทั้งสี่ขั้นนี้ก็ใช้ใชใชใช้้หลักเดียวกันว่ามันเกิดจากความอยากกรรมกรรมราคะก็คือความอยากที่ทําให้จ่ายทุกข์ใจเกิดขึ้นมาก็ต้องระรับมันด้วยการเจริญสุภาษเพราะว่า เหตุที่ทำให้เกิดการมาราคุก็คือการไปนึ ก, น ก, นกไปเห็นภาพสวยๆงามๆนั่นเองก็ต้องเปลี่ยนการนึกภาพจากภาพสวยๆงามๆมาเป็นภาพที่น่าเกลียดไม่สวยไม่านางขึ้นมาล้มันจะรับได้นี่ก็คือการการการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนี้ต้องเริ่มต้นจากขั้นขั้นอนุบาลขึ้นมาก่อน แต่บางท่านอาจจะทํามาแล้วก็ได้ขางท่านอาจจะเกิดมาแล้วไม่เคยเยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเลยมีอะไรก็แบ่งปันมาอยู่ตลอดเวลาทําทานทําดุลอะไรอยู่มาตลอดอยู่แบบสมถะเรียบง่ายไม่หวังที่จะร่ำรวยไม่ใช่จะใช้ทาไปไปการเสพการหาความสุขการตามใจจังหวะท่านก็สามารถเข้าสู่ขั้นภาวนาได้เลยถือศีลแปดได้เลย ก็ไม่ไปหาความสุขแทนการเสพการเสพเรื่องสิยงกลิก่นรสนะไม่อยากมากอยากเลยก็ไม่ต้องเสียเวลาไปหาเงินหาทองก็จะมีเวลาเข้ามาปฏิบัตถถิธรรมได้ถือขีแปดได้ภาวนาะจจริญสติให้ได้สมาธิได้อัปปนาสมาธิได้เลยแต่ต้องมีขัน้นตอนนี้ก่อนถ้า อ, อยู่อยู่นี่จะไปลาสังโยน์ะไรนี้ได้ปัญญานี้มันได้แต่ทำได้แต่เพียงคิดนึกคิดท่านั้น แต่ความเป็นจริงนี่มันยังทำไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ไปพิสูจน์ว่าเวลาร่านกายจิตแล้วเราเฉยได้หรือเปล่าเห็นไข่เรื่อยตัวในวันนั่งทร่าันกายจะตายที่เราไม่ตอบกังวลหรือเปล่าหรือเราเฉยได้หรือปล่าอันนี้เป็นข้อสอบที่เราจะต้องพิสูจน์ถึงรู้ว่าเราละสัตยานิยมทิ้งได้หรือไม่ถ้าไม่มีเครื่องมือไม่มีอุเบกขาก็ละไม่ได้ จะมีอุเบขาได้ก็ต้องมีเวลาเจริญสตินั่งสมาธิจะมีเวลาเจริญสตินั่งสมาธิได้ก็ต้องไม่ไม่ไม่เอาเวลาไปสรางหาความสุขทางตาขอจนูกขึ้กนกายไม่เอาเวลาไปหาเงินหาทองมาสนับสนุนในการหาความสุขทางตาของจมูกยึ้นกายจะได้มีเวลามามาเจริญสติมานั่งสมาธิให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาก่อน ถ้าได้อุเบกขาแล้วที่นี้ก็สามารถที่จะไปศึกษาสังโยชน์ใช้ปัญญาคือไตรลักษณ์สังโยชน์ได้ครับอาจารย์ทีนี้ผมขอกลับเียนถามเพิ่มเติมครับคำถามยอดฮิตเลยคนชอบถามว่าแล้วเป็นคารวาสเนี่ยเป็นพระโสดาบันได้ไหมครับอาจารย์ก็เนี่ยถ้าทำทานแล้วเราไปสืบสิงไปภาวนาได้ก็เป็นได้ไม่ต้องเป็นท่าก็ได้ แต่ก็อยู่ที่ว่าทํามากทําน้อยด้วยนะไม่ได้ทำแค่ทิศละวันนี้มยนก็อ า, อออา จ, จะไม่พอมืาเรียนท่องเสถียรจะไปเรียนทิศละวันมันกจบช้านะเห็นไหมครับเหมือนเมืนคนที่เรียนมาลายเปิดกับมาลายปิดไม่เหมือนกันนะมาลายปิดนี่ก็บงังคับบักสูดให้เข้าห้องตามเวลาทุกอย่างก็นะจบตามหลักสูตรได้สี่ปีห้าปีหกปีแล้วแต่ แต่ถ้าไปเรียนมาอะไรเปิดนี่เขาไม่ังครับคุณจะมาเรียนก็ได้ไม่มาเรียนก็ได้บางคนก็หกปีเจ็ดปีแปดปีจบยากจบยากขึ้นมาอยู่ที่อยู่ที่ความเพียรของเราทย่งที่พระเจ้าสอนในหลักสูตรว่าบางคนก็เจ็ดจบได้มันเจ็ดวันง่ก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปี <c oughs> ก็อยู่ที่ความเพียรของการทําของการภาวนา แต่ก่อนที่จะภาวานาได้ก็ต้องมีเครื่องมือสนับสนุนคือทานและเสียงก่อนครับอาจารย์ครับกล่าวขอบพระคุณครับผมจะน้อมนำไปศึกษาและปฏิบัติต่อไปนะครับแยวจะขอโอกาสถามจากเพื่อนๆ น, นะครับคุณคาเชนครับบอกว่าถามพระอาจารย์ครับไม่เคยนั่งสมาธิได้เลยคิดฟุ้งซ่านตลอดเลยครับจะแก้ไขอย่างไรดีครับไม่แน่เลยนะก็ต้องมีสติก่อนต้องฝึกสติ คอยควบคุมจิตใจคอย ค, บควบคุมความคิดไม่คิดเรื่อยไปทั้งวันทั้งคืนนะยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นนะถึงจะนั่งสมาธิแล้วไม่ฟุ้งซ่านะถ้าปล่อยให้จิตคุกคิดอยู่ตลดาดวันมันก็ฟุ้งอยู่ตลาดมาันอยู่นะพอมานั่งดีใจมันก็ฟุ้งต่อนะั่นเองยิ่งต้องลดความฟุ้งซ่านในแตยก่อนที่เรามานั่งสมาธิคิดเท่าที่จำเป็นนะั้นเีงคิดเท่าคิดกับเรื่องงานเรื่องการที่จำเป็นสิ่งนั้นที่ไม่จําเป็นนี้ไม่ต้องคิดนะ ได้ทำบริกรรมพุโทโธพุโทโธอยู่มันก็ได้หรือบังครับให้มันจอดจอดดูการเคลื่อนไหวต่างๆของน้าข่ายก็ได้ถึงเวลามานั่งสมาธิมันก็จะไม่ฟุง้งคุณจ็กเกอร์ครับกับเรียนะ้าจาย์ครับการกล่าวคำถวายข้าวพระพุทธถือเป็นศีลปัตะตะประมา a ศ์ไหมครับคือเป็นความเข้าใจเห็นว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า ผู้เช่าศรีเราบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาก็คือให้เราปฏิบัติตามคำสอนขมงพรเจ้าทีไ่ได้แสดงไว้เมื่อกี้ให้ทำทานให้รักษาศีลและให้ภาวนาเป็นวิธีถวายการบูชาให้กับพระ พ, พุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าท่านรัประทานข้าไม่ได้เสียข้าวบับเป็นการเล่นลิเกเป็นการเล่นลิเกเหลักตัวเอง ถ้าอยากจะกราบพระพุทธเจา้าบูชาพระพุทธเจา้าได้ไปปฏิบัติทานสิงฆวนาเอาข้าวที่ทานพระพุทธเจา้าเนี่ยไปใส่บาตรจะให้คนยากจนจนกินก็น่าอันนี้ก็ถือถว่าทับทานนะแต่เมื่อวานว่าเฉยๆไม่ได้ทําอะไรเลยคุณธนาครับกราบนักวิชการพระอาจารย์ท่องสอบถามมีสองข้อนะคะับข้อที่หนึ่งจิตมีเกิดแก่เจ็บตายหรือไม่คะไม่มีจิตเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับ แ ต, แต่จิตก็ เ, เปลี่ยนไปตามสภาวะคือทุนมนกรรมจิตเป็นจิตที่สูงได้ต่ำได้ขึ้นลงตามภาวะของบุญหรือบาตที่ตันเองทาไว้เไม่ว่าจะเรอหรือเสียด้วยความสุขด้วยความทุกข์ที่มีในใจของตนที่เกิดจากการทําบุญหรือทำบาตรแต่ตัวจิตเองนี้ไม่มีวันจไม่มีวันสูญสลายเป็นหนึ่งในหกเป็นหนึ่งในหกท่า ที่มีอยู่ตลอดเวลาตลอดนานนันทกาอีกข้าท่าก็คือท่าดินท่าน้ำท่านมท่าไฟนักก็เอาอากาศจะทา่าท่าทั้งหกนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันสูญจลายมีมาอยู่นั่งเดิมไม่รู้ว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครสามารถเข้าไปค้นหาได้ว่าพวก น, นี้มีมาจากที่ไหนเมื่อไหร่เป็นเหมือนเป็นของที่มีอยู่อย่างถาวรคู่กับ อะไรก็ป็นรู้ล่ะถูถือว่าเป็นอสังกัดอสังขารใช่ไหมครับอสังขารมัไม่ได้เป็นสังขารมันไม่นของที่ไม่ได้ปูกแต่เป็นของที่มีเป็นของมันเองครับข้อที่สองครับทําไมจิตไม่รู้แก่ตามวัยยังอยากโลดโผนแต่ร่างกายไม่ได้ครับนเพราะจิตน้องคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายเนี่ยก็เลย อ, อยากจะให้ ทำให้จิตไม่รู้แก่ตาไวเพราะจิตไม่แก่นั่นเองเขากรไปเลวยจิตไม่แก่จิตตั้งแต่เด็กมาจนถ้าถไหวัชราก็ยังไม่แก่ยังคึกคักเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ากําลังของร่างกายมันสนับสนุนความคึกคักความกรนองของใจไม่ไหวแล้วคุณดาวครับถามพระอาจารย์ว่าเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าเราเกิดวิปัสสนาญาณแล้วและการเกิดสันตติ ขาดมีอาการอย่างไรครับคำถามสุดท้ายการเห็นการเกิดดับของฐานกายอาการเป็นอย่างไรครับไปไกลแล้วขอให้เราเห็นก่อนว่าเรามีสีรหรือเปล่าหรือเปล่าให้เห็นก่อนว่าเราตนันหนหรือไม่ตนันหนีหรือเปล่าเร า, ย, ายัางโลภยังดักอยากได้เงินทองที่ไม่จําเป็นที่ต้องมีหรือเปล่ายังอยากจะได้สิ่งของต่างๆที่ไม่จําเป็นที่ต้องมีหรือเปล่าเอาปัญญาระดับพื้นฐานใกล้ตัวเราก่อนเถิด อย่าไปถึงระดับนั้นเลยเมันไกลมันไปไม่ถึงอดูให้กับาวว่าตอนนี้เรายังโลภอยากได้เสื้อผ้าอยากได้ของฟุ่มเฟือยต่างๆมากวกว่าอยากได้แบรนด์ในหรือเปล่า <c oughs> อะไรถ่องน้องเมื่อกี้เห็นโฆษณาคนเข้เขาไปซื้อแผ่นนั้นมาแผ่นหนึ่งเพื่อที่จะมาลองเอามาวางของแผ่นซี่เหลี่ยมๆประมาณหน้าจอครึง่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นี่ ราคาสองหมืนบาทเพือ่อที่จะมาวางกุญแจรถกุญแจอะไรต่างโอ๊ยทำไมต้องมีแผ่นหนังราคาสองหมื่นมาเพราะมันยี่ยห้อแฮเมเบสหรืออะไรต้งเนี่ยครับเนี่ยถ้ายังอยากได้ของพวกนี้อยู่ว่าตัดมัปให้ได้ก่อนนะพวกนี้ไปให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปเข้าถึงขั้นวิปัสสนาญาณเราแค่ขั้นที่ของที่เราอยู่กับชีวิตประจํำวันก่อนมนาะ เราเลิ่ใช้ของฟุ่งเฟือยได้หรือเปล่าใช้ของตามเหตุตามผลได้หรือเปล่าตามความจำเป็นได้หรือเปล่าเอาแค่นี้ก่อนหรือใช้ชีวิตแบบสมถะเรียบง่ายได้หรือเปล่าถ้ายังไม่ได้อย่าไปสนใจกับเรื่องวิปัสสนาญาณไปไม่ถึง คำถามจะคุณพิเชียมครับการบรรลุเป้าหมายต้องเกิดจากการปฏิบัติสมาธิอย่างเดียวหรือคะเรามุ่งทําบุญกุศลในรูปแบบอื่นๆได้ไหมคะองค์การที่จะไปถึงขั้นพระอริยบุตรนี้มันต้องมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาการทําบุญนี่เพียงแต่เป็นขั้ น, นเริ่มต้นเพื่อใช้เดินเราให้เข้าสู่ขั้นศีลสมาธิปัญญาคือทําบุญไม่ใช่เพื่อหวังให้ร่ำรวยเพื่อให้ได้มากขึ้นทําบุญเพื่อให้มีน้อยลง ให้เราเป็นคนเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้ากับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินเข้าต่างๆคุณศรีสุดาครับถ้าเราไม่แตกฉานด้านคำสอนแต่อยากสวดมนต์และหัดนั่งสมาธิควรสวดมนต์บทใดบ้างคะสวดบทชั้นสัน้นหล่ยสวดบทพระุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วขอ คุณเกดครับการนิมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากเรียนถามว่าทําอย่างไรจะคงความนิพพิธาความเบื่อหน่ายในความสุขทั้งโลกเอาไว้ได้คะขอบพระคุณค่ะคงความเบื่อหน่ายคืออยากครับอยากจะเบือ่ออยากจะให้เราเบืออเเบ่อทางโลกเนี่ยเราพิจารณาความไม่เที่ยงของความสุขทางโลกเลยงานนี้ยังมีวันสิ้นสุดหรอกทางสุขทั้งโลกนี้จะต้องมีวันจบจบด้วยคราบทุกข์กันน้องผมน้องใา้เศ้าโศกเสียใจ คุณปิยาบุตรครับก า, การนิมัสการพระอาจารย์ครับผมเปิดธรรมะฟังแล้วก็หลับตานอนตอนหลับก็ได้ยินเสียงกรนตัวเองและก็ได้ยินเสียงธรรมะที่เปิดฟังด้วยอยากสอบถามพระอาจารย์ครับว่าอาการแบบนี้คือเป็นปกติของร่างกายที่น้ําหนักตัวมากหรือว่าเป็นอาการของสมาธิครับเป็นอาการของการหลับไม่สนิทคือหลับยังไม่เต็มที่ยังมีสติข้างๆอยู่นิดหน่อยไม่ทําให้รับรู้กับเสียงกรนเสียงอะไรได้ ถ้าหลับสนิทสติก็หมดไปก็จะไม่รับรู้เรื่องอะไรผ่านทางร่างกายในชั่วค้าวคุณรัญญาครับการนภัษการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอเรียนถามคนที่เขาไปปฏิบัติธรรมตลอดทุกปีแต่ทำไมยังเป็นคนโทสะแรงโกรธง่ายอยู่ครับสาธุค่ะเพราะปฏิบัติน้อยคนที่จะหมดโทสะนั่นนี่เปฏิบัติทุกวันไม่ใช่เฉพาะ ปีลาสองสามครั้งสองสามวันหรือปีละอาทิตย์หนึ่งไม่พอต้องปฏิบัติทําทุกวันถึงจะตัดโทรศัความโกรธได้เนี่ยแท้จริงคุณพีโกครับเรียนถามพระอาจารย์ถ้าไม่เกิดจะไม่เจอทุกเราต้องเริ่มจากอะไรหรือทําอย่างไรเพื่อไม่เกิดอีกกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับก็เนี่ยละละกันากาหาความสุขจากสิ่งต่ต า, างๆในธรรมโลกนี้ลนะทรัพย์สมบัติ เงินทองเพราะเราต้องจะอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขกับสิ่ ง, งต่างๆในโลกนี้นั น, เ, นเราต้องไม่หาความสุขที่มีในโลกนี้พูดง่ายๆความสุขทางตาจะหจบนน้กายแล้วก็ยหาความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบแล้วเราก็จะสามารถพัฒนาจิตให้ขึ้นไปถึงขั้นที่ไม่ต้องกลับมาเกิดต่อไปได้ด้วยการละสังโยชน์ทั้งสิบให้หมดไปจากใจ คุณปล่อยวางครับจําเป็นไหมค้าที่พระโสดาบันต้องไม่เคยผิดสีห่หาในชาติที่บรรลุธรรมครับถ้าเป็นโสดาบันแล้วท่านจะไม่ผิดสีได้โดยเดใครนะแต่แต่ก่อนหน้านั้นผิดได้ใช่ไหมครับอาจได้ก็ ย, ยังไม่เป็นก็ ย, ยังไม่เป็นยังเป็นผูุ้ชนอยู่น่นก็ผิดนะอย่างพวกเราเนี่ผิดไปเรื่อยๆทั้งท่านทีอยากจะเป็นโสดาบันครแต่ก็ยังอดโกอกไม่ได้ คุณวราครับการเรียนพระอภิธรรมจะส่งเสริมการปฏิบัติหรือไม่คะคิดว่ามันไม่ส่งเสริมเพราะมันเป็นปความรู้มากเกินไปความรู้ทั่วหัวสิ่งที่ถ้าอยากจะปฏิบัติเขาให้รู้วิธีการปฏิบัติคร่าวๆขอ ง, ขอ ง, ขอ ง, ของมันต้องต้องมีอะไรบ้างอยากจะปฏิบัตินั่งสมาธิขอให้มีสติท่านเองแล้วก็สกสติไปอยากจ ะ, จะเจริญปัญญาก็าต้องรอให้ผ่านขั้นสมาธิให้ ไ, ได้ก่อนเข้าใกล้ขึ้น ศึกษาเรื่งปัญญาต่อไปเอาทีละขั้นดีกรับอภิธรรมนี่บางทีเอาเอาพระไตรปิฎกทั้งหมดมาสอนเลยเรียนั้นก็เป็นแบบความหูความรู้ท่วงหัวตัวไม่รอดเพราะไม่สามารถนาออกไปปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ต่างๆได้คุณวรยาครับการนวัสการพระอาจารย์ค่ะญาติมีอาชีพขายลอตเตอรี่ผิดศีลมากไหมคะไม่ผิดแล้วก็เป็นอาชีพเสริฐขายได้ แต่ว่าเป็นอาจจะถือว่าไม่ผิดศีลไม่ผิดกฎหน่อยแต่อาจจะผิดทางด้านอบายมุขคือทางศาสนานี้ไม่ชักชวนชักชวนให้คนเสียอบายมุขเพราะว่ามันจะเสียด้านมากกว่าได้อบายมุขหนึ่งนอตเตอรสีส่วนใหญ่นี่จะเจ๊งมากกว่ารวยคน้วยน้อยคนถูกรางวัลที่หนึ่งมัวหนึ่งได้ทั้กี่คนคนที่ไม่ถูกนี่ไม่รู้ กี่แสนคนข้อมันคนของคนที่ไม่ถูกกี่แสนคนนี่มันจะให้คนที่ถูกไม่กี่คนเลยน ะ, ะคุณอนันต์ครับถ้าบุคคลตั้งอยู่ในโสดาปฏิมักแต่ยังไม่บรรลุโสดาปฏิผลจะเป็นอย่างไรครับขอบคุณครับก็ยังไม่บรรลุคือยังเป็นปุถุชนอยู่ก็เหมือนเรียนยังไม่จบอะอย่างหมอนี่ถ้ายังเรียนไม่จบหมอจะไปเป็นหมอได้ไหมยังไม่ได้ ก็ต้องเรียนให้มันจบก่อนแล้วก็นั่งเขามาอะไรเขาบอกอ๋อคุณเรียนจบทุกทุกหลักทุกวิชาการแล้วตอนนี้คุณไปเป็นหมอได้แล้วก็เป็นอันนี้ก็เหมือนกันการเป็นเจริญปฏิมากก็คือการการศึกษาอยู่ขั้นขั้นโซดาอย่างนี้ยังไม่สําเร็จขั้นโซดาเป็นขั้นศึกษาและขั้นปฏิบัติมาอาจารย์ครับแล้วอย่างบอกว่าบุคคลสี่คู่แปดจำพวกที่โซดาปฏิมากอยู่ในบุคคลนั้นแล้วเหล่านั้นแล้วล่ะครับอาจารย์ ก็อยู่ในนั้นด้วยเขาให้ให้เกียรติเขาถือว่าเป็นคู่ใกล้ละเป็นนักศึกษาแพทย์อะไรงี้ยนะครับอ่นักศึกษาแต่ยังไม่เป็นแพทย์แต่ก็ให้เกียรตินะแต่ให้เกียรติซึ่งนี่อาจจะเป็นเรื่องของการการแตกขึ้นมาในภายหลังก็ได้ครับเพื่อที่จะให้มันอมันเป็นคู่ไงถ้าความจริงถ้าสมดาบันมันไม่มีคู่แล้วมันมันเสียแตกมาคู่อีกอะไรอย่างเงี้ย อก็เลยให้มีคู่ให้มีโซดาปฏิบัติเข้ามาด้วยจเจริลนเป็นคู่กันไปอ๋อ oh. แต่ความจริงยังไม่ถือผู้ที่เจริญโสดาปฏิบัติยังไม่ถือว่าเป็นพระอริยทุกคน oh. ต้องเป็นพระโซดาไปแล้วเนี่ยเป็นึเป็นพระอริยทุกคนพระโซดาไปก็จะเจริญขั้นสกิทาคามีมกักรก็เป็นพระอริยไดนะ้เป็นพระอริยที่เจริญขั้นสกิทาคามี แต่ขั้นพระโสดาบันนี้หโสดาปฏิบัตินี้ยังไม่เป็นพระอาาริยะแต่เรื่องของคนที่มาแต่งในภายหลังก็อาจจะคิดว่านูนนูมันเข้าไปมันจะได้ครบเห็นได้คนจะสงสัยถามว่าเอทําไมทําไมมีแค่สี่คู่ครึ่งหรือแค่สามคู่ครึ่งอีกขึ้นเมือไยไปไหนเพราะมันยังไม่เป็นพระโสดาบยังไม่ได้เป็นพระอาาริยะก็เลยอันนี้ทีนี้เขาเอามารวมกันเพราะเดี๋ยวก็เกิดคําถา ม, มว่าทาไมอ่ะ ทำไมมีแค่สามสามคู่นะคลิกคู่คล้ายไปไหนแต่พอใส่เข้าไปก็มีคนตลาดฐานอีกและคนทียนน่ยังไม่ได้เป็นพรอริยะทำไมบางดวงมันดอยู่ในนี้ก็เปนเรื่องของการกา ร, การแต่งซึ่งคิดว่านี่ไม่ใช่เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้า อาจารย์ครับเมื่อกี้พูดลึงถึงเรื่องแบรนด์เนมผมถามเพิ่มนิดหนึงครับอย่างสมัยก่อนนางวิสาขายังไงครับอาจารย์เขาก็แบบเป็นประสบดาบันแต่เขามีความร่ํารวยเขาใส่เครื่องประดับอะไรมากมายอย่างนั้นอนนันเป็นเป็นประทันครับคือเขาเป็นคนที่มีรุ่นเก่าอยู่แล้วเขาอาจจะมีสมาธิมาก่อนแล้วครับเขามีวุฒามาแล้วขเขาก็ฟังธรรมเขาก็สามารถบรรลขุขั้นขั้นโสดาบันได้เลยโดยที่เขายังไม่ต้องไป แต่ใจเขาก็เป็นใจแท ใ, ใจทางอยู่ถึงแม้ก็จะมีทัพย์สมบัติข้าวของเหมือนทองมากเขาก็ทำบุญมากเขาก็รักษาศีลของเขาอยู่เป็นปกติแต่เนื่องจากชาติก่อนก็าอาจจะเคยเจริญเบกขาบาลมีมาก่อนเคยปฏิบัติธรรมมาก่อนชาติก่อนอาจจะเป็นนม่นชีหรืออะไรมาก็ได้เคยไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆในเมื่อพระเจ้าเนี่ย ม, มาเกิดเป็นเจ้าชายศินทฐาก็มีสมาธิติด ต, ตัวมาอยู่ รผมนี่เป็นเรื่องของมูลเก่าวที่ตื้นติดตัวมาแต่สําหรับคนที่ยังไม่มีก็ต้องมาสร้างในชาตินี้ก็เลยต้องก็ต้องทําทางเพื่อตัดการการใช้เงินหาเงินเพื่อจะได้เอาเวลามาสร้างสร้างสติสร้างสมาธิกันก่อนแต่ถ้ามีอยเบขาแล้วแล้วเกิดมารวยนี่ก็ไม่ไม่เป็นตัญหาอะไรแต่เขาไม่ใช้เงินทองเหล่านั้นเพื่อไปสัสงหาความสุขทางกามอารมา ค่ะนี้เขาถ้าจิตเมีเขามถ้าก็มีความสงบมีอุเบกขาและใจเขาจะไม่หิวก่อนเรื่องของการอุดหนนเรื่องการว่าฉัานได้เขก็จะตัดไปจากใจเขาได้มีเงินเาวจะเอาน ไ, ไปทาบุลมากกว่าเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยซือท่งองเที่ยวอะไรต่างๆแต่สรัพยสมบัตินี่จะเป็นสมบัติที่แกได้มาจากเวลามาดากกันะ แต่คุณปียบุตรครั บ, บสาบถามเพิ่มเติมครับเราต้องทรงอยู่ในอารมณ์ของพระโสดาบันนานแค่ไหนถึงจะเรียกว่าได้บรรลุโสดาบันจริงๆครับและถ้าสภาพวะจิตตอนนั้นเราสามารถลบสังโยชน์ได้มากกว่าสามข้อจิตเราจะเข้าถึงพระสกิทาหรือพระอนาคามีไหมครับคือมันเป็นไปตามขั้นตอนมันไม่ใช่อยู่ดีๆจะจะได้สามข้อขึ้นอะรทั้งนอเรื่องด้า น, นนี้มันต้องได้สามข้อแรกก่อน เมื่อได้สังก้อนแล้วจิตก็จะอยู่ในอารมณ์ของโสดาบันไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันเสี่อมลงมาเป็นพระเป็นจุตุชนได้ต่อไปมีแต่จะขึ้นสูงขึ้นไปขึ้นสูงด้วยการไปละสัญญาณที่สุดที่ยังไม่ได้ละต่อไปทั้งนี้คุณสุตตาสตาครับหนูได้แผนที่จากพระอาจารย์สั่งสอนแล้วกําลังพยายามหัดเดินตามแผนที่อยู่ค่ะแต่หนูติดที่ยังมีความกลัวในที่แปลกๆมืดๆ เคยมีอาการแพนิคยังฝังใจอยู่ค่ะหนูคงปลีกไปเวกไม่ได้หนูจะฝึกใจยังไงดีคะ ห, หายจากความกลัวต่างๆครับบำมจิตสติให้มีสมาธิขึ้นมามีอุเบกขาถ้ามีอุเบกขาแล้วความวากลัวต่างๆก็จะหายไปแล้วถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาก็สามารถถ้าอุเบกขาหายไปก็สามารถใช้สติดินกลับคืนมาได้ว่าอุเบกขาในเรื่องตอนอนาจะยังไม่ไม่มีกาลังมากพอ เราไม่บักบัญชาด้วยสติแต่เราสามารถถ้าเกิดเราเกิดความกลัวขึ้นมาเราสามารถถ้าเราเคยทําให้จิตไม่กรัวได้เราก็สามารถทําให้มันกลับมาไม่กรัวได้ด้วยสติระยาครึกสติให้มากมากกให้จุตสงบให้ได้รูเบกขาบ่อยเราจะจัดอาการกวัจะน้อยลงไปเลยอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่เวลาแล้วแต่โอกาสแล้วแต่กําลังของสติ แล้วตอนนั้นเราไม่พร้อมที่จะไปไปอยู่ที่ที่น่ากลัวได้แล้วไปพิสูจน์ือว่าเราจะสามารถเ อ, อาชนะความกลัวได้ไหคุณคริสครับพระโสดาบันยังต้องกลับมาเวียน่าวตายเกิดอีกใช่ไหมเจ้าคะถ้ายังเป็นแค่โสดาบันต้อตายไปในจิตยังมีความอยากเสพการ ย, ยังอยากมีสามีอยากมีภรรยาอยู่ก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แลวมามีสามีในภรรยาจนกว่าจะขึ้นไปถึงท่านพระอนาคามีได้แต่ก่อนยะพระอนาคามีก็ขึ้นถึงท่านสกิดาคาท่านสกิริคา ส, สกิรสกิรดาคานี้เป็นขั้นที่ทําให้ความอยากเศริกามีเบาบางแต่ยังไม่หมดจะได้ประมาณ50ประมาณณกรรมอ า, ลามาล์กมัดราคะได้ประมาณ50ก็จะทําให้ การมาเกิดเพียงหนชาติเดียวเป็นอย่างมากเพราะการมาข้างหน้นก็สามารถที่จะจะระดับสุาษิตตัดการมโนมนได้อย่างร้อยเกร์เซ็นต์ด้เป็นพระอนาคามีนะแต่ถ้าพู้ได้พระอนาคามีแล้วก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตอบเลยแต่จิตยังจะไปติดอยู่สวรรค์ชั้นพรมที่พระอนาคามีขึ้นไปถึงเพราะยังมีสัมยชท์อีกห้าตัวที่ยังตัดไม่ได้สัมยชท์ที่ยังผูกจิตให้ติดอยู่กับสวรรค์ชั้นพรหมนโลก แม้ละสัญ ญ, ญตุตที่เหลือห้าตัวได้จิตถึงจะออกจากตายตายทุยกได้อย่างถทวไม่ต้องกลับมาเกิดเหมือนลายตายกับลายทุก็เลยคุณพีโกบอกว่าถามเพิ่มครับเหตุทําให้ยึดมั่นถือมั่นคืออะไรครับคือความหลงเลยไม่เห็นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีให้ความศรัทราไม่เห็นว่ามันทุกข์ไม่เห็นว่ามันเป็นตายรักนี้เอาวิชาหรื่องครับ ทำไม้เราไม่เห็นว่าสิ่งที่เราไปยึปดเป็นติดนั้นมันไม่ใช่เป็นของดีแต่ความหนุมันจะหลอกให้เราเห็นว่าเป็นของดีเป็นของให้ความสุขของเราคุณเจี๊ยบครับถามว่าการละส ก, กายะทิฐิเช่นมีคนมาว่าเราก็อดทนได้ตลอดเวลาหรือว่าไม่มีความรู้สึกอะไรเลยคะไม่นนหรอกเรื่องการถูกคนเข้าว่านี่มันยังเป็นเรื่องของของ ของมานะอยู่ซึ่งเป็นสัญยาณที่สูงกว่าภาะสวดาวันนี้ยังโกดคนได้ถึงแม้ว่าจะละความแก่ความเจ็บความตายนะั้นแต่ใครมาหยามก็ยังรู้สึกเสียใจได้ไม่พอใจได้เพราะยังมีมานะยังถือตัวอยู่ถึงแม้ถึงแม้ไม่ได้ถือว่าร่างกายเป็นตัวเราแต่ไปถือจิตว่าเป็นตัวเราอยู่มานะนี่ไปถือจิตสกายาทิฏฐิไปถือร่างกายมีสองระดับการของการถือตอน ภาระนักเทศจิตที่ไปถือว่าร่างกายเป็นตัวเราแต่มารณ์นี่เป็นตัวไปถือจิตก็เป็นตัวเราอีกตัวนึ่สองมันมีสองสองระดับระดับกายกับระดับจิต ย, รราาาาายังพระสกิรานคาเมพระนาราคาเมนี่ยัยังไม่พอใจได้เวลาที่มีใครมาพูดด่าเพราะว่าเพยังมีมารณ์ยังมีการถือตัวต้องเป็นพระอรหันตนั้นที่ละมารณ์ได้นะก็จะไม่ ไม่ขอดใครไม่เก็บใครไม่เสียใจไม่อะไรใครจะว่าอะไรก็ดนะ่า mm hmm. เรื่องของเขาไปไม่รู้เขาดาใครเพราะไม่มีตัวตนในในผู้รู้ผู้กกนนะรับรู้การด่าคเป็นแต่ผู้รู้ไปนั้นเองผู้รับรู้เรื่องราวต่างๆคุณวาชิครับกลับเรียนถามครับถ้านั่งสมาธิแล้ว พักโดยไม่ได้พิจารณาปัญญาจะถูกหรือไม่หรือควรพิจารณาปัญญาทุกครั้งหลังนั่งสมาธิครับอ๋อปัญญายังไม่ต้องกังวลนะท่านสมาธินี่พยายานั่งให้มันนิ่งนิ่ ง, งสงบไม่ให้มันคิดอะไรไปทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและขณะออกมาฝึ ก, การหยุดคิดให้ได้ชําจนชํานาญก่อนสามารถสั่งให้มันหยุดคิดได้ทึกเวลาที่เราต้องการก่อนแล้วค่อยไปคิดถักปัญญาต่อคุณปุ้ยครับ ที่เข้าใจคือถ้าชาตินี้ได้โสดาบันจะกลับมาเกิดอีกเจ็ดชาติอยากทราบว่าคนที่กลับมาเกิดหลังจากได้โสดาบันแล้วเขาจะต้องได้โสดาบันในทุกๆชาติที่มาเกิดอีกไหมคะเราก็เป็นโสดาบันอยู่แล้วจิตเขาเป็นโสดาบันอยู่แล้วร่างกายที่ก็ไ<อ>ด้มานี่ก็เป็นร่างกายที่มีขันห้าเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าพระโสดาบันจะไม่ยึไดไม่ติดกับร่างกายของเท่านนีงแล้วคำว่าเจ็ชาตินี่เมื่อไรมาเขาจะต้องถึงเจ็ดชาตินะ ถ้าขยันปฏิบัติก็อาจจะบรรลุในชาติต่อไปได้ถ้าสมมุติว่าเกิดตายไปหรือว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้มนมาว่ายังปฏิบัติต่อไม่ได้พอไปเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาปับ๊บพอได้พอโตปั๊บก็จะปฏิบัติต่อได้บางทีไม่ต้องโตก็ได้เป็นเด็กนี่แหละเห็นไหมเด็กบางคนที่เข้ามาฟังเทศน์ฟังธรรมเป็เด็กคนน้อยเยอประมาณจิตนองขั้วท า, นนาน ง, งนี้ชายหน้าโม่นี่แต่คําถามก็ไม่ใช่เป็นคําถามของเด็ก มันเรียนจิตของเขาได้พัฒนามาถึงขั้นไหนแล้วเขก็มาทํำต่อได้เ ล, ลยอย่างไ้ว่าร่างกายเขางยั ง, ย, งยังเล็กอยู่ยังเด็กอยู่ท่านนี้แต่จิตเขาไม่เด็กไม่เล็กนะจีตเขาอาจจะโตกับผู้ใหญ่บางคนน ไ, ได้ั้ำแต่ คุณธนัทนันครับเมื่อปฏิบัติสมาธิสมถกรรมฐานรูปฌานสี่ขึ้นถึงระดับฌานแล้วจะเข้าวิปัสสนาได้ต้องเริ่มปฏิบัติจิตอย่างไรเป็นอันดับแรกถึงจะเป็นการเจริญปัญญาในระดับต่อไปคะขั้นต้อนก็อย่างทะ่บอกที่ผายก่อนว่าต้องให้เราได้สมาธิอย่างชำนาญเขาออกได้ทุกเวลาและควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในการสงบได้ถึงแม้ว่าาไม่ได้อยู่ในสมาธิเป็นส่วนใหญ่ อาจจะไม่ได้ควบคุมแบบถาวรตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดอารมณ์ก็สามารถใช้สติคอยยับยั้งได้แต่ยังไม่สามารถทําลายมันได้อันนี้ก่อนให้จิตเป็นแบบนั้นก่อนให้จิตสงบเย็นสบายทั้งขณะที่ออกมาแล้วเข้าไปในสมาธิก่อนแล้วถึงค่อยมาเจริญปัญญาด้วยการพิจนารณาขันห้าในร่างกายเราว่าไม่เทีย่ยงเป็นทุกข์ความรู้สึกนึกิก็คือเวทนามันก็ ไมเทีย่ยงเป็นไตรากทั้งหมดนั้น ล, ละมันปล่อยเลยว่ามันเป็นสภาวะธรรมมันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศคุณปิยบุตรครับหากเราสามารถละความโลภได้ในสมาธิแต่ในการดําเนินชีวิตเราไม่เคยบริจาคทานเพื่อละความโลภลักษณะแบบนี้เรียกว่าละความโลภได้จริงๆรไหมครับก็ไม่รู้แหละทำไมคุณทําทานไม่ได้นะ คุณต้องใช้ปัญญาพิจานาเลยที่ว่าเงินส่วนไหนที่คุณต้องเก็บเงินส่วนไหนที่คุณไม่ได้ใช้นะคุณก็ยังหวงอยู่ก็แสดงว่ายังยังละความโลภกัน ไ, ได้หรือละความตัณหาได้คุณแสงปานิทครับการธรรมสถารพระอาจารย์ครั บ, รรรรบตอนนั่งสมาธิมีอยู่ช่วงหนึ่งในสมาธิเห็นหลุมดําเหมือนจะดูดเราเข้าไปแต่สุดทางหลุมดํามีแสงสว่าง ตอนนั้นตกใจแต่ใช้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธตลอดตอนภาวนานั้นหายไปแบบนี้ปฏิบัติถูกต้องแล้วใช่ไหมคะแล้วหลุมดำนั้นคืออะไรเจ้าคะก็หลุมดำเกิดจากความปรุงแต่งของจิตเรานี่ยมัาเผลอไม่ได้อยู่กับพุโทโธตลอดเลวลาบองช่วงไหนไม่ได้อยู่กับพุโทโธจิตมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาได้ คุณผู้ชงครับการน้มันการครับศีและฟาตะประมาสนี้เป็นศีลอัตโนมัติหรือตัดสินใจครับในขั้นปัศดาบันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกั้นที่เห็นด้วยด้วยด้วยความเป็นจริงว่าการทําบาปการไม่รักษาสีนี้เป็นอันตรายต่อจิตใจของตนเองในการสร้างความทุกข์ให้กับตนเองเหมือนกับเวลาที่เราเอาอะไรมาเคาะศีสะหนอนเนี่ยเราจะรู้ใช่ไหมว่าเคาะแลมันเจ็บ ถ้าเราก็จะไม่เขาก็จะรู้แบบนั้นรู้ว่าสิ่งทำไมถึงเราถึงต้องรักษาเพราะถ้าไม่รักษาแล้วเวลาทำบาปใจเราจะาทุกข์ขึ้นมาทันทีคุณมีมี่ครับการรัชการเจ้าข่าสงสัยเรื่องนั่งสมาธิแล้วตัวแข็งตัวเย็นเหมือนน้าแข็งบางครั้งไม่อยากออกจากสมาธิบางครั้งออกจากสมาธิแล้วมีความรู้สึกตัวเย็นอยู่เลยค่ะพอกําหนดรู้แล้ว นิ่งแล้วควรไปต่ อ, อยังไงคะตอนนี้เหมือนสุดอยู่เท่านี้นะคะให้มันนิ่งนานๆมันั่งนานๆมันช่วยสงได้จริงๆเรื่องความเย็นนี่ก็เป็นเร่งปกติเวลาจิตสงบใจมันจะเย็ น, นมันก็ทาให้เรารู้สึกว่ามันประเย็นที่ร่างกายใช่ไหะแต่วจริงไปวัดทุนพู น, นเลยมันก็เท่าเดิมนะแล้วม็นความรู้สึกทางใจนะคุณสหวิทยาการครับขอาการเรียนถามครับอะไรเป็นขัด เป็นขณะบอกภายในจิตตัวเองว่าตนเข้าถึงจุดโซดาบันแล้วและความเห็นว่าจิตไม่ใช่เรากายไม่ใช่เราขันห้าไม่ใช่เราในความเห็นเหล่านี้ต้องเห็นถึงระดับใดขณะใดเป็นเครื่องบอกว่าตนเข้าถึงแล้วครับเกิดไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นในแรงขั้นสุดท้ายแล้วรักษาไม่ได้แล้วคนก็บอกโอเคไม่เป็นไรไม่รู้เสกอะไรไม่เดือดรนดังนั้นก็รู้สึกว่าเข้าถึงขั้นโซดาบันง่ายนะ ถ้าไม่เดือดร้นกับความเป็นความตายของร่างกายหรือเวลาร่างกายเจ็าบปวดทรมานจากโรคอะไรก็รู้สึกเฉยเฉไม่เดือดร้อนอันนั้นก็นถือว่าเข้าสูง ข, ขัง้นโสดาบันแล้วคุณกิษนภพลครับการน้ัรสการพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เคารพครับ การบูชาพระรัตนตรยัยพระธรรมคําสอนพร้อมๆไปกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเครื่องพระภูมิเจ้าที่เ ท, ทพเจ้าต่างๆถือเป็นการไม่ยึดมั่นในพระรัตนตรัยหรือไม่ครับก็ความจริงการบูชาของที่นั้นเป็นของฟองกันไหมของจริงก็มีแค่พระรัตนตรัยนั้ที่เป็นคําจริงคือการบูชาทางศาสนานี้ไม่ได้กล่าวว่าเฉยๆบูชาเพื่อศึกษาคําสอนและปฏิบัติตา ม, ตามคําสอนต่างๆ นี่คือดักของการบูชาพระรันาตนตรัยส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นจะไม่บูชาไม่กราบไม่อะไรก็ไม่ห้ามกันแต่ไม่เกิดประโยชน์นะเพราะมันเป็นของปลอมนะั้นมันไม่ได้เป็นเครื่อนที่จะตัดความทุกข์ใจได้มีแต่พระรัตนตรัาตายเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีดับความทุกข์ที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ถ้าไปบูชาเช่นนี้เลยก็ยังต้องอยู่กับความทุกข์ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด คุณก้องครับการที่เราช่วยคนในเวลาเดือดร้อนจนในที่สุดเราไม่สามารถช่วยเขาได้แล้วและปล่อยเขาอย่างนี้เราจะบาปหรือไม่ขอรับที่เราไม่ช่วยเหลือเขาต่อถ้ามันสุดวิสัยก็ไม่บาปน เ, ปนเงานสุดวิสยัยแต่ถ้างานช่วยได้ถ้าช่วยได้ยังไม่ช่วยก็ถือว่าไม่บาปนี้่ว่าะเราไม่ได้ไปทําร้ายเขาแต่ถ้าเพียงแต่ทำให้เราขาดความเมตตาสงสารนั่นเองแต่ถ้าเราช่วยไม่ได้จริงๆมันก็ ไม่บาปแล้วก็ไม่ได้ขาดความเมตตาเพราะเราทําพยายามทําอย่างเต็มที่แล้วสุดกําลังของเราแล้วทําได้ทําดีแล้วอันนี้ก็ไม่ไม่บาปนลไม่ได้ขาดความเมตตาคุณภารัตครับการนักสการพระอาจารย์สุชาติและคุณหมอวีครับผมอยากถามว่าการฝึกจิตตภาวนาเพื่อตั้งใจมุ่งมั่นในคุณธรรมมันทําความดีทําให้ชีวิตมีความสุขอย่างไรครับ ก็เป็นการทําจิตให้สงบนั่นเองการทำความดีต่างๆในระดับต่างๆก็จะทําให้จิตสงบในระดับต่างๆความสงบของจิตนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงคุณสุขทุกอยู่ที่ใจครับการเจริญสติหรือฝึกสติโดยการดูร่างกายทําอย่างไรถึงจะถูกต้องครับเช่นเรานั่งอยู่นิ่งๆเฉยๆเราต้องดูหรือรู้สึกอย่างไรครับนักปราครับถ้านั่งอยู่นิ่งๆเฉยๆก็ดูลมหายใจก็ได้ เรียว่าดูลออมายใจอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าถ้าใจคิดกล้าให้ยืนกลับมาดูที่ลมหายใจอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าร่างกายไม่เคลื่อนไหวนะก็ให้ดูลออมหายใจถ้าเวลาร่างใจเคลื่อนไหวก็อยู่การเคลื่อนไหวเพรเราต้องเราต้องดูว่าร่างกายกาลังทำอะไรด้วยไม่เดียวทําผิดทําถูกอาจจะเดินชนชนนู่นเตะของอะไรต่างๆได้อันนี้คือการมีสตินะ ต้องให้รู้ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินก็ต้อง sunshine, รู้ว่ากำลังเดินเปเหยียบอะไรเรื่องต่างไปเตะอะไรเรื่องต่างเป็ น, น windows, anyway. there, ต้นหรือการขับรถก็ต้องให้รู้อยู่ว่าตอนนี้เรากำลังอยู่กับการขับรถเรืองต่างเรื่องต่าคิดบัญชีคิดถึงูงานปาร์ตี้ที่จะไปเที่ยวพรุ่งนี้หรือจะไปเที่ยวที่ไหนอย่างนี้แสดงว่าไม่มีสติไม่มีสติอยู่กับการขับรอย่างเดียวเวลาเวลาประทานอาหารก็อยู่กับการรับประทานอาหารเป็นอย่าง คุณวีนาครับพระโสดาบันลักกิเลสได้สามข้อคือรักษากายแทิฏฐิวิจิกิจชาและสีระตปรามาสพระโสดาบันสามารถลักกิเลสอีกเจ็ข้อได้ไหมครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิเลสในสังโยชน์สิบครับก็ต้องปฏิบัติต่อไปไอันนี้สุดก็จะลัได้ทั้งหมดต้องทำเป็นขั้นตอนไม่เรีนเรียนทุกเสี้ต้องเรียนให้จบเป็นวิชาวิชาปีหนึ่งก็มีให้เราเรียนสามสิบวิชาสามสิบหน่วยกิจใช่ไหมครั บ, รบแล้วก็เรียนสามสิบหน่วยกิตไป พอจบสามสิบหน่วยกิตแล้วปที่สองน่าก็เรียนอีกสามสิบหน่วยิตเรียนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเป็นกว่าจะครบหลักสูตรอันนี้หมายการพัฒนาหลักเก้ามีอีสาข้อที่จะต้องมะภาษากิตราคาพระราคาต้องละเพิ่มอีกสองข้อแล้วพรอาหารก็ต้องละอีกหาข้อไม่ไดเป็นพระอารนะคุณฟางครับการนิัสการพระอาจารย์เมื่อมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นจิต และมีสติรู้สึกตัวว่าสาเหตุเป็นเพราะเราเองจึงเห็นว่าจริงๆแล้วขันมันทํางานของมันไปไม่มีเขาไม่มีเราแต่หากจิตกระทบกับอารมณ์รุนแรงกว่าจิตก็ไหลายไปจึงกลับมาแล้วเจริญสติเพื่อหยุดอารมณ์ขอสอบถามว่าเราสามารถให้จิตดูการทํางานของขันแบบนี้ต่อไปได้ไหมคะกับสาธุ ค, คะ่ะคงจะดูไม่ไหวนะสพอถึงเวลาเจออะแรง ๆ, ๆขึ้นมาจึงหยุดมันไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องมือ เครื่องมือก็คือสติดังนั้นควรจะฝึกสติการที่จะให้มีสติมีกําลังแย่ไปดูจิตนเพราะว่าดูจิตแล้วมันมันทําให้ทําให้จิตมันคิดปุ่มแตกอย่านี้เรื่อยมันไม่หยุดคิดถ้าดูจิตเพื่อให้มันหยุดชิดได้ก็ดูได้ข้อหมายคือเราต้องการหยุดคิดเราต้องการควบคุมจิตให้ได้เพราะอารมณ์ต่างๆเกิดจากความคิดของจิตนั่นเองถ้าเรามีสติมีกําลังที่สามารถหยุด ความคิดได้ก็ดูจิตได้แถ้าดูจิตแล้วหยุดความคิดไม่ได้ก็อย่าไปดูแสดงว่ากํำลังของสติมันยังมีไม่พอให้มาดูดูร่งงางกายเคลื่อนไหวของร่างกายดีกว่าใช่บริกรรมพุทโธพุทโธเพื่อจะได้ยุดควบคุมความคิดของจิตได้เมื่อมีสติควบคุมความคิดหยุดความคิดได้แล้วทีนี้ก็ดูจิตได้หรือว่ามันคิดหรือไม่คิดคิดไปในทางที่ดีหรือไม่ดี คิดเป็นทำให้ดีก็หยุดมนันได้คิดเป็นทำให้ดีก็ปล่อยคิดต่อไปได้คุณกระเจีย๊ยบครับสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเพิ่งเริ่มปฏิบัติขาบเวลาทําสมาธิดูลมหายใจแต่ไปดัดแปลงลมหายใจเลยอึดอัดลําบากบริกรรมพุทโธก็ฟุ้งแต่ดูร่างกายหายใจดูอกกระเพื่อมทาแบบนี้แล้วทําได้ดีทําแบบนี้ไม่ผิดใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ผิดต่อโดยที่ อ, อกกระเพื่อมไม่ได้กระเพื่อมข้ากระเพื่อมหอม เนื not ้อผิหน่อผ่องหน่อแลเนื้อผิวน่อบางเวลาผองเวลาหายใจออกมันก็ยุวหายใจเข้ามันก็ผ่องเปนคำถามนี้ไม่จบนะครับะอาจารย์ครับจากคุณสันทัศน์ครับสอบถามปรึกษาข้อข้องใจปฏิบัติสมาธิกับพระอาจารย์ครับผมมีความสนใจการภาวนาหลังจากปลายปีเพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปก่อนหน้านั้นก็มีเพียงการให้ทานและรักษาศีลห้าจากต้นปีมานี้มากกว่าสี่เดือนแล้ว ที่ผมได้เริ่มฝึกนั่งสมาธิด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4ี่และกว่าหนึ่งเดือนที่เริ่มถือศีลสิบถือศีลสิบช่วงที่ผ่านมาการนั่งสมาธิเริ่มจากฐานกายสู่ฐานเวทนาจะเจอสภาวะรู้สึกชาชาสั้นๆตามตัวมีรู้สึกเหมือนตัวลอยบ้างมีตัวโยกโครงไปมาบ้างแต่มาช่วงระยะ น, นี้เพิ่งเจอสภาวะที่คอและศีรษะหมุนติ้วเป็นลูกคางเลยจากหมุนเบาและแรงขึ้นไปในขณะสติมีความรู้สึกสุดกั่นี้ครับอาจารย์ครับ แสดงว่าสติมีกำลังน้อยหรือไม่ค่อยมีเลยถึงปล่อยให้จิตปรุงแต่งสิ่งเหลนี้ขึ้นมาถ้ามีสติที่มีกำลังมากต่อเนื่องมันจะไม่มีกัรยาณ์เลยแต่มันจะมีแต่ความนิ่งความว่างตามนต้องดูสติของเราเป็นหลักเวล า, เาภาวนาะว่าเราบริกรรม พ, พุทโธอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าืูดูลมหายใจอย่างต่อเนื่องหรือเปล่ามีช่วงไหนที่เราไม่ดูมองไหมมีช่วงไหนที่เราไม่บริกรรม พ, พุทโธไหช่วงนั้นหลักจะก็จะ กากาา ต, ต่างนนขึ้ ค, นะคุณพีระครับกราบเรียนถามครับสังโยชน์ข้อที่สี่ห้าพระสกิทาคามีแตกต่างจากพระโสดาบันอย่างไรครับเขาเบาบางแค่ไหนครับอ๋อคือพ้าโสดาบันนี้ยังไม่ได้ละเลยมีรอยซ็ยังมีการมารมร้อเ์เซนอ่แต่พอจด้เจริญสุภาพแล้วมันก็ เวลาที่นึกถึงพระสุภาษต์การมารมมันก็จะโผล่ขึ้นมาไม่ได้เวลาที่ไม่ได้นึกถึงพระสุภาษต์การมารมมันก็จะโผล่ขึ้นมาได้พระสะกีดาคานี่ก็เเลิกได้เพียงประมาณ 50, 50ห้าสิบห้าสิบในร้อยครั้งครับก็แสดงว่ายังมีช่องให้การมารมเกิดขึ้นมาได้ห้าสิบห้าสิบมากกับพระโสดามันแต่น้อยกับพระโสดามันเพราะพระสารโสดามันมองไม่เห็นพระสุภาษตเลยเห็นแต่ ความสวยงามของร่าง ก, กายตลอดเวลาลอยทั้ง้อยนี่คือลักษณะของข้อสวดาวเกี่ยวกับการมาลาคะแต่พระสกิราคารเริมรู้แล้วว่าการมาลาคะนี้เป็นตัวสร้างความทุกข์ใจให้เวลาที่เกิดการมาลาค้าแล้าใจมันหนักอยู่ใจมันไม่เป็นตกกรเตะนัไงต้องหาวิธีกำจัดก็จะใช้เพเรื่องว่าวิธีกำจัดนั้นต้องใช้อสุภะให้นึกถึง อะนาตอมีของร่างกายเนื้อนึกถึงซากศพของร่างกายมันก็จะทําให้การมัลมมันดับไปได้แต่บางทีมันเผลอมันนึกมันมันมันเดิมไปมันมีเหตาท่เสวยๆงานแล้วทนที่จะนึกถึงมัสตาร์ก็ไปนภาพสวยๆงานต่อมันก็เลยยังไม่มันก็ยังไม่ดับแต่น้อยแต่ว่ามีกําลังพลนสติได้แล้ต้อมาเต้นถึงมัสตาร์ พอเรียนมสุภาพขึ้นมามัก็ทําให้การบารุงแบบ ไ, ได้มันก็ยังเป็นอยู่ในช่วงแบบสู้กันห้าสิบห้าสิบ่บางทีก็นึกถึงมสุภาพบางทีก็นึกถึงสิ่งที่สวยงดงามสลับกันไปแต่แต่ถ้าสามารถนึกถึงมสุภาพได้ตลอดเวลาจนไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่สวยงามในร่างกายได้ยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้การบำราาุงแบบไม่มีช่องทางที่จะบอกใหมาได้ต่อไปก็จะเป็นพระอนาคาย นะกร า, าะรมาคาบได้ตาเหล่กี่ร้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คุณสวัสดีครับการเลี้ยงถังครับพระที่เสด็การมกับศีกาพอตายไปแล้วจะโดนโทษอะไรครับก็ไม่โดนแล้วก็ยังต้องกลับมาเกิดในกรรมภพ อ, อยู่นั่นเองทั้งหมดขการเสียการมก็อาจจะไม่อันนี้ไม่ทราบนะเพราะว่าบันทัดศรีการกาชถือว่าผิดศีลห้า ว่าเป็นเสียงที่ประพฤติผิดประวณีการปราพฤติผิดปเวณีนี้ไม่ทราว่าต้องไปอาจจะไปเป็นเดรัจฉานก็ได้เด ร, ร, รัจฉานก็าก็เสกการแบบไม่มีไม่มีกฎไม่มีระเบียบเพราะอยากจะเสกกับใครก็ว่าเสกงั้นเดรัจฉานราราานี่มันอาจจะเสกกับลูกกับพ่อกับแม่ก็ได้เพราะมันไม่รู้พ่อรู้แม่รู้ใครเสกกับภรรยามาของตัวเอก็ได้ อันนี้ก็นักนักสนะเดื่อกับคนที่เสกเสกการ้วยผิดศีลฆ่ากับผิดศีลตลาชิยมกับผิดศีลห้าศีลฆ่าข้อการเมก็เท่ากันก็ไปเกิดเป็นดาราชานี่แต่ไม่ไปเป็นหมาเป็นเป็นแมวแล้วก็ไปเสกการมที่นัานต่อแล้วพวกนี้ไม่เลือกเพศไม่เลือกสถานภาพไม่ควรไม่ควรอย่างไรคุณนรรงศักดิ์ครับ พระสดาบันจะไม่ตกยุงเลยใช่ไหมครับก็เอาไปถามเขาดูเลยไม่ตบหรอกเพระสดาบันไม่เห็นจะเป็นจะต้องจเลยพระยมงมิก็ไล่มันไปแล้วเวลามันจัดท่านก็ทนเอาเวทนาได้เวทนาที่เจ็บปวดรวดร้าวถึกระดูกท่านยังทนได้เลยแล้วขณะเวทนาที่เกิดจากดูดกัดนี่ท่านไม่เดือดก้อนหรือจตายเพราะเชื่ออยู่มาทําให้น่างกาย่างท่านก็รับได้เพราะทแม่ ถ้าไม่ได้ยึดติดกับร่างกายของท่านเลยนะงั้นใช่ถ้าไม่ตกอยู่ถ้าไม่ฆ่าสั ต, ตว์ตัดที้งไม่ต้องเชื่อแน่นดี่าง่ายๆนนอกจาก<ด>ว่า<ด>มันทำไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนี่อาจจะมีอยู่บางทีท่าเผลอบางทีมันมากัดแล้วไม่รู้วะไรอากัดก็้ามือไปลุกๆแล้นทำให้มันตายได้อาจจะเป็นไปได้แต่ที่ยังมีเจตนาเห็นอยู่ปุ๊บก็้วตกปั๊ได้ไม่มี คุณชาวินครับกาเบรียนถามพระอาจารย์ครับตัวเองอยากบวชแต่พ่อแม่อยากให้มีคู่ครองใช้ชีวิตทางโลกครับควรทําตามพ่อแม่หรือทําตามตัวเองหรือมีวิธีใดบ้างที่จะทําให้พ่อแม่ยอมให้บวชครับก็ในสมัพุทธกาลก็มีเหตุการณ์แบบนี้มีเศรษฐีมีลูกชายคนเดียวลูกชายอยากจะบวชแต่พ่อแม่ก็ไม่อยากให้บวชให้อยู่มีครอบครัวจะได้นับสมบัติต่อจากพ่อแม่ไป ลูกอยากจะบวชอย่สดชีวิตเลยยอมถึงกับยอมยอมตายเพื่อการบวชนี้ก็เลยอดข้าไม่อยากกินข้าวจกว่าจะได้บวชเพราะแม่ในหนัสุอก็ต้องยอมแพ้ยอมให้ลูกบวชตายเพราะไม่อยากให้ลูกตายเพราะลูกไม่อยอมกินข้าวจริง คุณวีนาครับกาบเรียนขออนุญาตรเรียนถามพระอาจารย์ว่าพระญาติบุคคลสีท่านคือพระโสดาบันพระสกิทธาคาพระอนาคาและพระอรหันต์การจะปฏิบัติธรรมให้ถึงขั้นเป็นพระอรหันต์ได้มีปัจจัยอะไรให้มาถึงได้กราบพระบาทขอความเมตตาค่ะก็ต้องมีมีศีลมีสมาธิมีวิบากาแล้วก็มีปัญญาเห็นใจรักเข้าใจหลักของที่ใจรักว่าสภาวธรรทั้งหลายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตาตา ก็จะสามารถละสัญญอดำกันตามตามขั้นตามระดับไปได้จนเราถึงขั้นสูงสุดได้ต้องมีทานต้องมีต้องต้องถ้ายังมีเงินมีทองยังยังหาเงินหาทองอยู่ก็ต้องตัดเรื่องเงินทอไปด้วยทช่นส่วนใหญ่เขาจะไปปวดกันผู้ที่ต้องการที่จะมีสีสมาธิปัญญาแต่ก็สามารถอยู่พัฒนาบ้านได้มีเงินมีทองได้แต่ไม่ไม่เพื่อรักษา ร่างกายเท่านั้นเองดูแลร่างกายไม่เอามีไว้เพื่อใช่หาความสุขทางตาทางตาผู้ชนวิยมกายต่อไปคุณก้องครับการาบธรรมสการพระอาจารย์ครับการาบเรียนถามพระอาจารย์ว่าขณะที่แผ่เมตตาหรือสวดมนต์ภาษาไทยบ่อยครั้งจะมีภาพเกิดขึ้นตามมาตามเนื้อหาของบทสวดผมควรจะอยู่กับบทสวดเพียงอย่างเดียวหรือผมสามารถพิจารณาเป็นภาพตามบทสวดได้ไหมครับ วิธีที่ถูกต้องควรจะต้องวางจิตวางใจยอย่างไรครับกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับถ้าเริ่มต้นขบวนสวดก็ อ, อยู่ขบวนสวดไปให้มันจบดีกว่าอย่าไปเปลี่ยนถาจะเริ่นต้นด้วยภาพก็เอาใช้ภาพไปตลอดอย่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรายัางได้อย่างนาี้ครับ คุณธนิตาครับการธรรมศสการพระอาจารย์ขอาการเรียนถามค่ะผู้หญิงที่ปฏิบัติตามคําสอนจะสามารถบรรลุถึงพระโสดาบันได้ไหมคะได้มันไม่ได้อยู่ที่เพศหรหญิงผู้ชายก็มีจิตเหมือนกันมีกิเเหมือนกันสามารถจะเรียนทได้เหมือนกันนั้นรักสารได้เหมือนกันคุณสมพรครับการธรรมศาสตรพระอาจารย์วันนี้ลืม จำได้ว่าต้องฟังธรรมะของพระอาจารย์อย่างน้อยต้องเตรียมตัวก่อนทุ่มครึ่งเป็นอันว่าโยมไม่มีสติไม่มีสมาธิลืมจนได้มาเข้าฟังพระอาจารย์ตอนสองทุ่สิบห้าเศษอย่างนี้โยมขาดสติหรือไม่มีสมาธิหรือเป็นอาการของการลืมแต่ลืมก็น่าจะมาจากการไม่มีสติของโยมมากกว่าไหมครับน้อมกราบคำแนะนําพระอาจารย์ครับใช่มันเป็นสติเป็นพื้นฐานที่ทําให้เราเมื่อถ้าเรามีสติเราก็จะคอยเตือนตัวเราเองไหว่าคืนนี้นะ่าจะต้อง มาฟังธรรมเวลาสองทุนน่มนะเป็นอะไคอยเตือนตัวอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีสติเป็นเอไปคิดเรือเ่องอื่นไปลงปัืเเรื่องที่ื้องที่ต้องมาฟังธรรมไปเนี่ยคนที่เป็นอาสาสมก็เพราสติไม่ค่อยดีสติแต่คนที่มีสติดีไม่เป็นครูบาอาจารย์ที่พระเป็นพระอริยบุคคลที่มีอายุ้ยปีท่านก็ยังไม่ดี คำถามนี้ไม่จบนะครับอาจารย์ครับคุณสันทัศน์ผมอ่า น, นี้ถามแล้วต้องใสอันนี้ถามแล้วครับอาจารย์จากคุณสมพรครับการภาวนามีความหมายว่าอย่างไรมีวิธีการทําอย่างไรอย่างไรจึงเรียกว่าภาวนาครับการภาวนาแปลว่าการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้มีวามสุขสมากขึ้นด้วยการเจริญสติและเจริญปัญญาตามลครับ มันต้องให้จัดการสติก่อนเพื่อทำจิตให้สงบให้เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบและเกิดอุเบกขาแล้วก็ใช้ปัญญาเจรปัญญาเพื่อรักษาความสุขที่ได้จากความสงบ อ, อุเบกขาที่ได้จากความสงบนีเน้เป็นเป็นทาวอตอบแทนด้วยปัญญาคุณปรีดีครับขอบการเบียนถามพระอาจารย์เรานอนไม่หลับเป็นเพราะอาการป่วยหรือเพราะนอนไม่หลับของเรา ก็ปล่อยวางมันก็ไม่หลับทั้งวันคืนบางทีก็หลับหลับตื่นตื่นโดยไม่ทานยาทั้งที่ปวดมากๆค่ะแต่ดูลมหายใจแทนทําแบบนี้ทำถูกใช่ไหมคะท่านมันสงบนะคะแต่ก็ไม่หลับหรือหลับก็หลับไม่สนิทเช้าก็ทํางานปกติไม่ได้ง่วงดูลมต่อค่ะอย่างนี้เรียกว่าปล่อยวางไหมคะถ้าหลับไม่สดิทแค่แสดงว่าจิตยังยังทิ้งปูกแตงอย แสดงว่าเราอาจจะไม่สามารถหยุดความคิดทุงแต่งได้มันก็เลยคิดไปเรื่อยๆไปจะเรียกว่าปล่อยวางไหมอันนี้ก็ปล่อยได้ในระดับหนึ่งถ้าปล่อยวางในแต่ที่มันต้องหลับสน็กเลย คุณสนั่นครับการมรสการพระอาจารย์ครับขออนุญาตเรียนถามภาวนาพุโทโธเหมือนจะหลุดไปทางโลกบ่อยพอมาสวดมนต์ภาวนาทุกขณะจิตที่ระลึกได้สวดในใจเหมือนจะเพลินพระจิตอยู่กับสวดแต่พุโทโธก็ไม่ทิ้งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแต่โอกาสวันไหนเหนื่อยกับงานก็อาพุโทโธก่อนนอนหลับง่ายปฏิบัติแบบนี้ถูกไหมครับและจะมีโอกาสเข้าถึงพระโสดาบันไหมครับก็เป็นขั้นตอนที่จะพาเราไปสู่ขั้นนั้นแต่ก็อยู่ที่ว่าเราทํามากทำ ว่เราจะต้องเข้าถึงขั้นที่ทําให้จิตให้เป็นอัปปนาสมาธิให้ได้งงคือจิตรวมงงสงบเนื่งอยู่คิดปรุงแต่งนั่งเล่นอยู่ได้นานเป็นเวลายาวนานและสามารถทําได้เรื่อยๆทำได้ตลอดเวลาแล้วเราถึงจะสามารถขึ้นสู่ขั้นปัญญาต่อไปได้คุณอดุลครับการรัชการพระอาจารย์ครับการฆ่าสัตว์ที่ไม่มีอายตนะครบห้าเช่นหอยบาปหรือไม่ครับ อันนี้ถ้ายังมีวิญญาณอยู่ก็บาที่เราไม่รู้ว่าหอยนี่มีวิญญาณหรือเปล่ามีมีจิตมาก่อนหรือเปล่าถ้าไม่มจิตลำต่อมันก็ถือว่าเป็นเหมือนต้ไม้ก็ไม่บามีพาว่ามันใอนุตนาครับเป่เงิตาครับอาจารย์ันมแค่เพียแต่ร่างกายเป็นอย่างเดียวตาหูจมูก ดินมันไม่ไมีในนี่ก็ไม่รู้มือกันแต่ทางที่ดีก็ต้องไม่ประมาทก็ยากกา่าไปทามันอีกแล้วในรุ่นชาติคุณจารุลครับกับพระอาจารย์ครับกับเรียนถามหากจะพิจารณาอสุภะกรรมาฐานเพื่อลดการตัณหาจําเป็นต้องได้อัปปนาสมาธิก่อนไหมครับคือย้อนจาเป็นหรือไม่จําเป็นถ้าถ้าได้อัปปนาสมาธิมันก็จะทําให้ละได้ง่าย ถ้าไม่ได้อปบน้ำสมาธิมิจฉะยะพยายามอาจญะระดับไม่ได้เลยการว่านดดั้เพราะมันจะไม่มีกําลังที่จะระลึกถึงอูปสัตได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองเดีย๋ยวระดบหนึ่งมันก็ถูกกิเลสติดไปนะคุณอนุครับการธรรมสถานพระอาจารย์ครับการเรียนถามมีหลายข้อนะครับ <c oughs> ข้อที่หนึ่งอารมณ์พระโสดาบันเป็นแบบไหนครับอาจารย์ก็ธรรมดาไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายขอ ง, งใใร่างกาย ข้อที่สองจะทรงอารมณ์พระโสดาบันไว้อย่างไรครับก็ต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้นั่นเองปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายนะ ไ, ไม่ไปเดือดร้อยกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายข้อที่สามเราจะทราบอย่างไรว่าตอนนี้ทรงอารมณ์ไหนอยู่ครับก็นําไปคิดสวดอยูเทสไปอยู่ที่มันน่ากลัวไปอยู่ในที่ที่มันท้าความเป็นความตายอดูือว่าเรา ยังเฉยเฉยไดหรเปล่าถ้าเราเฉเฉยได้ก็แสดงว่าเราอยู่ในอารมณ์ของพอสดาบันหรือนั่งนานๆให้ร่างกายมันเจ็บปวดแล้วก็ไม่ทําระยัดไปเรื่อยๆรู้สึกเฉยเฉยก็การเจ็บปวดของร่างกายนะข้อที่สี่จะยกอารมณ์ไปสู่ขั้นต่อไปอย่างไรครับถ้าได้ขั้นส่วนใดาแล้วก็ให้พิจารณาสุภาพต่อไปหนึ่งพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกาย เพื่อจะได้ยกระดับจิตให้สูงขึ้นให้ร่ากายมาตัดหาการม า, า, ารมาคะให้ได้หยุดความอยากเสพ ร, รูปสิ่งการเสพการไม่ได้ข้อที่ห้าครับในการดําเนินชีวิตประจําวันเราจะทรงอารมณ์พระโสดาบันหรือขั้นอื่นๆอย่างไรครับมันไม่ใช่อยู่ที่เราจะไปนึกขึ้นมาเองมันอยู่ที่การปฏิบัตินั่งปฏิบัติศีนสนลสมาธิหน้าก็ปัญญา จะสามารถเข้าสูอ่อารมณ์ของพระโสดาบันนั้ในนั่งได้คุณเอทิกครับเป็นโรคกระเพาะอาหารต้องทานข้าวตรงเวลาไม่กลุไม่กลับไม่กลับมาจะถือสิทธิ์สิลแปดนต้องทำอย่างไรครับก็ปรับสินแปดให้มันเน้วยเวลาตามเวลาที่เราต้องการถ้ามันแพ้ชา้าประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะโอเคเพราะศินแปดนี้ เป็นการรับประทานาหารี่คือไม่ต้การให้เรารับประทานมากจนเกินไปนะเนี่ยรับประทานแค่เที่ยงวันก็พอแต่ถ้าเที่ยงวันยังเป็นเวลาที่เรายัา ง, ยางทํายังทํางานอยู่ต้องรอให้หลังที่ยงวันถึงจะทํา ง, นงานแล้วก็เล่นเวลาบัดกได้คุณแม็กซ์ครับขอโอกาสครับอาจารย์ขอพระอาจารย์แนะนําการพิจารณาธาตุสีครับก็รืการอาหาเนี่ยมันเกิดขึ้นม า, นานได้แอยู่ได้ก็เพระาะธาตุสี เช่นลมฮะท่านลมก็เกินลมหายใจยในีหลหายใจเข้าไปนั่นเองเอาเติมลมอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวว่าเรากำลังเติมเราเอาลมดีเข้าไปเปลี่ยนลมที่ไม่ดีออกมานะเราก็เติมท่านน้าอยู่ตลอดเวลาเราดืยมน้ําอยู่ทั้งวันแล้วเราก็เติมธาตุดินในเราที่เรารับประทานอาหารเพราะอาหารนี่ก็ทํามาจากธาตุดินเป็นส่วนใหญ่ข้าวก็มาจากหนึ่งพักก็มาจากหนึ่ง ผสมกับน้ําำผสมอะไรแล้วธาตุไฟก็ได้จากความร้อนต่างๆความร้อนของอาหารก็มีธาตุไฟเข้าไปความร้อนได้จากแสงแดดก็เป็นก็เป็นธาตุไฟแล้วความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีของอาหารที่เรารับประทานก็สร้างความร้อนขึ้นมาในร่างนี่ก็คือธาตุไฟมันทำให้เรา พอมารวมกันเข้ามาในร่างกายมันก็เลยมาต่อแต่ผมขอนึกฝันอาการต่างเมื่อ ต, ตอนเวลาอยู่ในท้องแม่ก็อาศัยธาตุของแม่มาสร้างอาการสารพิสูจให้กับร่างกายหรอกรแต่พอมาจากเท้าแม่แล้วเราก็เติมธาตุของ เ, เองหายใจเองเดินน้ำเองรับประทานอาหารเองร่างกายก็จะเริติบโตขึ้นมาเมื่อพอร่างกายแก่ตาย การแยกตัวของธาตุสีก็เกิดขึ้นทันทีธาตุลมก็ไม่เข้ามีแต่ออกธาตุน้ําก็ไม่เข้า ม, มีแต่ออกธาตุไฟก็ไม่มีเข้ามีแต่ออกร่างกายของคนตายนี่งเงียบนะแล้วก็ถ้าทิ้งไปนานน้าเหลืองน้ำเลือดน้นํนนนารงที่ในร่างกายมันก็จะไหลออกมาเรียบผุพองขึ้นมาเน่าทําให้ร่างกายเน่าจนต่อไปก็แห้งกรอบถ้าตน้ํากะหายไปหมด หรือต่ธาตุน น, นี่ก็คือการพิจนะารณาธาตุสีให้พิจารณาแบบนี้คุณสมพรครับศีห้าข้อมุสาการโกหกหมดเท็จที่เป็นแบบไว้ไลน์เพื่อไม่ให้คนอื่นหมั่นไส้เราในเรื่องใดเรื่องนั้นเป็นการผิดศีลข้อมุสาไหมครับน้องกาบขอคาแนะนำพระอาจารย์ครั บ, บคือถ้าพูดไม่พูดความจริงก็ผิดนะพูดความไม่จริงก็ผิดก็ไม่พูดก็ได้ ทำไมเพราะจะเหมือนใช่เราไม่เหมือนใช่เราเราก็ตอบเขาแปลว่าไม่ขอพูดดีกว่าครั้นี้ก็จบเพราะบางคราวเราพูดไม่ได้หรอกถ้าเราไม่พูดจรอย่างนั้นก็ถานนั้นเราต้องถ้าเราพูดพูดคําจริงไม่ได้เราก็ไม่ขอพูดดีกว่างันนี้เขามักมีคําพูดว่ามารยาทใช่ไหมครับ ไว้มาญาดหน่อยนะครับคุณใหญ่ครับฝึกการภาวนาพุโทโธโดยนึกแต่พุโทโธอย่างเดียวไม่กําหนดลมไม่กําหนดภาพพระใช้ได้ไหมครับใชนะ่อยู่รับคาว่าพุโทโธอย่างเดียวก็ได้เป้าหมายก็คือให้เราหยุดความคิดต่างๆนี้นคุณชนินครับ เมื่อถึงอุเบกขาไร้สัญญาได้แล้วควรนั่งจนหมดกําลังหรือว่าควรพิจารณาอะไรหรือไม่ครับหรือแค่ว่างสุบไปแบบนั้นครับนิ่งสงบอุเบกขารู้ตัวไร้สัญญาไว้ครับนั่นแหละให้มันว่างไปอย่างนั้นจะกลับมเริ่มไม่ว่างเรื่องคิดปรุงแต่งพอถึงจะถอน อ, อมาจากสมาธิถ้ามันนิ่งจเฉยๆไม่มีการคิดปรุงแต่งก็ปล่อยมันนิ่งไปเลยนะให้ดาที่สุดเท่าที่จะหนานไนดะ้เพราะมันจะให้กําลังกับจิตใจให้เพราะ ให้เบิดขาและจิตใจได้อยู่ทํางานๆไปร อ, อจากสมาธิาคุณสมพรครับการอ่อนน้อมถ่อมตนต้องปฏิบัติอย่างไรครับที่แสดงออกว่าเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนครับก็ทําทตัวเราให้เป็นคนนับใช้เลยเวลาเจอใครก็ยกมือไหวเ้เขาเก็จะโตกับเราหรืออร่อยแต่เราก็ยกมือไหว้เขาก่อนเลยมันพวกตอนให้พ่กขาเสียงกันนะพ่อผู้แทนนี่เจอหมาบางที ย, งยกมือไหว้ก็ ต่อใจเจ้าของหมาไม่แน่หรอกเพราะว่าคนนี้ไหว้หมากูว่าเดี๋ยวเจ้าค่ะเดี๋ยวต้องไปให้ให้กําลังใจเพื่นหน่ยต้องลงคะแนนให้เพื่อนหน่อยเนี่ยก็ดูดูพวกที่หาเสียงเป็นตัวอย่างวิธีออนน้อมถ่อตนเห็นไหตอนนี้ไปไหนยกมือไหว้ไปหมดเลยใช่ไหอชาวบ้านชาวบ้านแม่พ่อค้าแม่ค้าอะไรนี่ไหว้หมดตอนนี้แม่หาเสียงไหว้เป่าเดยแไปตามตลาไม่ยกมือไหว้ใครเลยดีไม่ดีเด็กด้วย ผููใหญ่น้้ยครทำเวลาหาเสียงนี่อ่อนน้ำถมตนอย่างเต็มที่เลยงั้นดูพวกพวกที่หาเสียงนี่เป็นตัวอย่างวิธีของการออก น, น้ำํำอ่อนน้ำถมตนไปครับผู้จ้าเรียบน้อยครับผมใหญ่แต่ต้องทําให้ตลอดนะครับอาจารย์ <laughs> ทําตอนหาเสียงก่อนหน้านี้ไม่ทำไม่มีหาการหาเสียงไม่มาไปเลย แล้พอเล่นกลงสร็ก็หายไปหมดเลยเพราะอรยังเป็มพอยด์อยู่เป็นการเล่นละครให้เราเห็นชัดๆไม่ใช่เป็นของจิตครับผมคุณบุษราครับไม่เคยผ่านเวทนาตอนนั่งสมาธิได้เลยขอพระอาจารย์โปรดเมตตาแนะนําด้วยค่ะสติมีกําลังน้อยเวลาเวลาเวทนาตอนนั้นก็พยา ย, ยายมพยายามพุทโธพุทโธไปอย่าลืมพุทโธมันเดจะผ่านไปได้ คุณไกลครับก า, ก, การธรรมสถานครับกับผมเขาการสอบถามพระอาจารย์ว่าสมาธิตอนนั่งในรูปแบบหรือตอนนอนนั้นต่างกับสมาธิตอนที่เราจเจริญสตินะชีตประจําวันอย่างไรครับคือคําว่าสมาธินี่มันไม่ใช่ที่เราใช้กันนัน้มันต้องใช้เป็นสติสติก็คือการควบคุมจิตให้ไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าเรากำลังทำอะไรให้ดูเฉยๆวนสณาที่นี่แปลว่าจิตดิ่งสงบไม่คิดปรุงแต่งไม่ทํำอะไร ในบางทีเราใช้คำว่าสมาธิแทนสติกันยิ่ตั้งเปลี่ยนคำว่าสมาธิตอนนั่งให้เป็นสติในตอนนั่งในรูปแบบหรือตอน น, นอนต่างกับสติตอนที่เราจเจริญสติในชื่อประจำเลยมันไม่ต่างกันเป็นสติเพีเดียวเราอยู่ขั้นในขัข้นของการเจริญสติเรายังไม่เคยเจอสมาธิเลยว่าเป็นยังไงสมาธิคือผลที่ได้จากการที่เราจเจริญสติอย่างต่อเนื่องต้องนั่งอยู่เฉย นั่อยู่เฉยแล้วมีสติคอยควบคุมหยุดความทิ่ต่างๆได้จิตก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นความสุขเป็นความสงบหุ้มใจคุณจัสตินครับการนมัส ก, การครับขณะภาวนาพุทโธมีบางขณะรู้สึกคำภาวนาเร็วมากๆจนตามรู้ไม่ทันครับเวลาเป็นคุณควบคุมคำบริกรรมพุทโธเองแทำให้มันช้าก็ได้ทาให้มันว่าได้ ไม่ทราบว่าทำอย่างไรก็แสดงว่าเราไม่มีสติควบคุมมองขมันนะสิถ้ามีสติเราก็สามารถทําให้มันช้าก็ได้เหร็วก็ได้คุณลัตนาครับทํำยังไงถึงจะวางจิตได้สักทีครับรู้ว่าเวทนาไม่ใช่เราแต่พอเข้าหาจิตแล้วมันสอนไม่ค่อยได้ครับก็ขาดสติไขาดอุเบกาแล้วมันฝึกสติให้จิตเป็นอุเบกขาแล้วก็จะปล่อยอวางได้ คุณสมพรครับปุจฉาพระอาจารย์ครับอริยทรัพย์หรือทรัพย์ภายในมีอะไรครับขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ด้วยครับเขรื่องคลนิพพานเนียอริยสนัก ส, สีนิพพานเนี่ยคุณลังสันครับถามว่าปีไก่ทอดถวายพระได้ไหมครับต้องเป็นอาหารที่ตักฉันง่ายเท่านั้นไหมครับอไม่หรอกอาหารใดก็ได้ที่มันที่มันไม่ผิดศีลก็ทำไม่ผิด ข้อห้ามของของทางของพระมีของบางอยากพระฉันไม่ได้นะคือรับได้แต่พระพุทธจ้าไม่ไม่ฉันก็คืออาหารที่ทํำด้วยเหมือนกับที่มีสุราผสมอยู่เช่นเข้ามากอะไรประอกณนี้นี่ของดิบปลาดบิบอย่างนี้ก็ฉันไม่ได้แล้วก็มีเนื้อสัตว์สึกชนิดด้วยกันที่ไม่ให้พระฉัน เป็นเนื้อเสือเนื้อหมูเนื้ อ, อสัตว์ป่าทั้งหลายนี้ให้พระใช้เนื้อสัตว์เหลนี้แต่ถ้าเป็นเนื้อปกติเช่นไก่หมูเป็ดไก่พวกนี้รัฐประทานได้จะจะถวายในรูปแบบไหนก็ได้ขอให้มันตายทำให้มันสุขกแล้วกันทำให้เนื้อมคุณเกษมมณครับ กาเปลียนถามพระอาจารย์อยากทราบว่าการฝึกสติในชีวิตประจําวันจะช่วยให้มีความจําดีขึ้นไหมหรือว่าคนละตัวกันระหว่างสติกับสัญญาครับมันก็จะทําให้เราลืมยากขึ้นถ้าเราไม่มีสตินี้เราจะไม่คิดถึงสิ่งที่เราควรจะจํามันก็จะลืมได้ถ้าเรามีสติแล้วมัาจะคอยกระับให้มันคิดถึงสิ่งที่เราต้องจำอยู่เรื่อยๆมันก็จะทําให้เราลืมได้ยาก คุณดวงจันทร์ครับถ้าเราอยากซื้อของแต่เพื่อให้ผู้อื่นเป็นความโลภใหม่เจ้าคะถ้าซื้อของให้ผู้อื่นนี่ไม่ใช่ความโลภเป็นการทำบุญทำทานคุณวิมลครับลูกอยากถือศีลห้าให้ครบแต่ว่าทําได้แค่สี่เพราะครองเรือนมีสามีแต่พยายามกระทาให้ดีที่สุดถือว่ารับศีลได้ไหมคะก็มีสานี้ก็ถือศีลห้าได้ สินข้อสไม่ผิดสินข้อการเมย์ไม่ผิดการร่ว ม, มกับนรนกาบสามเณนี้ไม่ผิดสีนห้าแต่เป็นร่วมหลับนอนกับคนอื่นที่ไม่ใช่สามเรภรรยานั้นถึงจะเกิดสีนห้าเปิดสินในทอศิษย์ข้อสามในสินห้าคือข้อการคุณอดุลครับการบนมัสการพระอาจารย์ครับการฟังธรรมะสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่ครับ ได้ถ้าจิตอยู่ในระดับสมาธิแล้วมีผู้เบกขาแล้วแล้วก็ทำที่แสดงนี้เป็นธรรมแท้ธรรมที่เก่จดจากผู้ที่รู้จริงจิตคุณอาทิติครับพระสุปุรีได้ไหมครับได้ไม่อ้างพระบิดายไม่อ้าไม่ได้าสมอ คุณแอปครับซึมเศร้าสามารถใช้สมาธิบำบัดได้ไหมคะเห็นแต่ทุกอยู่รอบตัวอยากนั่งสมาธิแต่จิตยังฟุ้งหมุนอยู่ตลอดครับได้เพราะถ้าทําจิตให้สงบแล้วอาการซึมเศร้าจะหายไปทันทีจิตสงบเงี่ยงจิตชาว่าจวงจากปัจจัยอาการอาการต่างๆอาการทุกข์ร้อ น, นต่างๆแล้วจะซึมเศร้าแล้วจะเครียดวิตกกระวลอะนี้จะหายไป คุณกรรมบดครับกราบถามพระอาจารย์สติสามารถไปเกิดในฝันได้หรือไม่เพราะเมื่อวันก่อนฝันถึงสิ่งผิดที่ทำเป็นประจำแต่มีสติไปโปรในขณะฝันก็เลยกำหนดในฝันนั้นเลยแล้วก็ดับในนั้นอย่างนี้คือฝันธรรมดาหรือยอย่างไรครับคือเวลาเราหลับนบา ง, ง, ง, ง, งทีมันหลับไม่สนิเทเต็มที่ไม่ข้าฝันได้ถ้าเราสนิเทเต็มที่มันก็จะไม่ฝัน คุณโพธิยานครับนักวิชการครับหลวงพ่อการปฏิบัติในแนวทางมหาสติปัฏฐานจะได้ทั้งสมถะและวิปัสนาถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องแต่ต้องปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปไม่ใช่เหมาทั้งหมดไปทำทีเดียวรวมกันหมดไม่ใช่มันในขั้นขั้นแรกขั้นขั้รสติได้ไปนั่งสมาธิเจริญอนาปะเนื้อการใช้อนานปนานสติเวลาไม่้นั่งสมาธิแค่เจริญกายกต่าสติดูวความเคลื่อนไหวของร่างกายไปก่อน ให้กว่าจิตจะได้สมาธิได้อุปคได้อุปจได้อัปปนาสมาธิได้อุเบกขาที่มั่นคงก่อนมาถึงปารเจริญปัญญาด้วยการพิจารณาธรรมชาติของร่างกายว่าเป็นไตายรักเวทนาเป็นตายรักจิตอาการของจิตเป็นตายรักก็จะละก็จะละสมัมยวดทั้งหมดได้จากการเจริญสติปัญสิน อาจารย์ขออีกนิดหนึ่งนะครับมีอีกสามข้อน่าสนใจครับคุณอัญชะลาครับนั่งสมาธิตอนกลางวานันพอกลางคืนจะนอนง่วงนอนมากแต่เหมือนนอนไม่หลับเลยค่ะรู้สึกง่วงมากๆจะทําอย่างไรคะไม่รู้เหมือนกันนะถ้าง่วงก็นอนไม่หลับแสดงว่าเวลาจะนอนไม่ไม่ยอมหยุดคิดยังคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นก็จะไม่ยย อ, ยอย่งนี้เราลองพยายามคอยหยุดกําหนดจิต ด, ดูความคิดที่หยุดกันให้ปล่อยให้มันคิด ในเดี๋ยวก็จะถ้าปล่อยมันคิดมันก็จะ ไ, ไม่มีมันคุณธัญญาครับในการภาวนาจําเป็นไหมคะว่าควรเลือกการภาวนาที่ตนชํานาญแล้วทําในรูปแบบนั้นแบบเดียวเช่นถ้าถนัดดูลมหายใจก็ดูลมหายใจอย่างเดียวหรือสามารถใช้หลายรูปแบบในการภาวนาได้เช่นบางเวลาบริกรรมพุทโธอย่างเดียวบางครั้งก็ดูลมหายใจสลับกันไปคนละช่วงเวลากันเจ้าคะ่ะ ก็อยู่ที่ผลนะแบนไหนทำแบบไหนทำแล้ว่า้าคือใจสงบใจไม่คิดก็ใช้แบบอย่างนั้นไปาจะใช้แบบไหนจะเปลี่ยนก็นได้ถ้าเปลี่ยนแล้วมันทำให้ใจสงบมากกว่าเดิมก็เปลี่ยนได้ดูผลดีกว่าดูผลที่เกิดตามมาว่ามันทำให้ใจเราสงบได้หรือเปล่า ข้อหนสุดท้ายนะครับคุณจินดาครับการที่เห็นโทษของการราคะแล้วใจเกิดความไม่อยากมีความสัมพันธ์ทางเพศแต่ทางกายยังมีความรู้สึกตามธรรมชาติแต่สามารถระ ง, งับความต้องการได้ถือว่าละการราคะได้หรื อ, อยังคะก็ไม่รู้ว่าละได้นนหรือไม่นานก็ต้องพิสูจน์ดูกัเรื่อยๆบางทีมันไปอยู่ในสภาพที่ไม่มีโอกาสให้ใน ไ, ได้สัมผัสมันก็มันก็อาจจะไม่มี แต่ถ้าเกิดไปอยู่ในในในในสภาวะที่เกิดมีการมาลงเงากันอย่างนี้ดูสิว่าอย่างนี้มีมีดได้หรอไม่อันนี้ก็ต้องพิสูจน์ก็แล้วกันก็มีท่านสอนเงี่ม่อาเราสงสัยว่าเราหน้าการมาราคาดได้หรือเปล่าก็บอกให้ไปดูหนังโป้ดูครั บ, รบอ๋อพิสูจน์เลยอ่าพิสูจน์เลยครับ อาจารย์ครับขอโอกาสครับโอ้นี่มีคนฟังทำเยอะเลยครับจาก f เฟซบุ๊ก881คนนะครับจาก YouTube 658คนใน Clubhouse 18คนวันนี้มีเพื่อนๆมาฟังทำด้วยกัน 1,557 คนครับอาจารย์ครับอยากจะเป็นท็อคุณหมอตั้งข้อหัวข้อมันคนสนใจเรามีมากคุณคุเขาอยากจะเป็นโสดาบันกันนะอยากจะรูยแต่ไม่ยอมทำงานไม่ยอมหาเงินกันเนี่ยอยากจะเป็นโสดาปุ๊บเลยอะไคิดว่าคุณหมอมีเคลับ วิสีเป็นสุดาปันแต่ความจริงมันก็ต้องไต่มาจากข้างล่างขึ้นมาแหะการที่จะเป็นเป็นนายุคเป็นเป็นนายพลนี่มันก็ต้องไต่ตั้งแต่เป็นนักศึกษาทหารใช่ไหมเรียนจบทหารก่อนเป็นนายร้อยนายพันนายพลตามลำดับขึ้นมาก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปเป็นเลยเป็นไปมิไดยาอาจจะเป็นได้บางคนกรณีพิเศษสําหรับโดยหลักทั่วไปแล้วก็ต้องเจริญทานศีลภาวนาตามลําดับ ยกเลี่ยงว่าถ้าเราผ่านมาแล้วเคยทำมาแล้วเราก็ข้ามขั้นไปได้วันนี้ก็ า, า จ, จะเป็นเหตุที่ทําให้คนเข้ามามากเป็นการพิเศษก็ได้แายก็ดีใจด้วยที่ทุกคนให้ความสนใจเราก็าคงจะได้รับประโยชน์บ้มมางไม่มากก็น้อยและก็คี่ว่าพอสมควรใจเวลาตลอบคืนนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิดไปเจองานไปปฏิบัติ เพิม่มความสุขความเจริงก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุก็ขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังและคุณหมอความพียนท่านี้แล้วถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกัครับกลับมาคุณกลับระคุณร<อ>ัาจารย์นะครับ okay.